จงมาเถิดเธอผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงทำอยู่เธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานนี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิภาพออนไลน์ตอนนี้เอพิโซดที่89ครับ89ข้าพเจ้าพระไพยยบุก็ามาพร้อมกับคุณหมอรัตพง์ครับ กับผมทันตแพทย์นัทพงศ์กนกวิกรุณกราบน้อสการท่านไทบู์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เอพิส od ที่89บเรเรายกพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กับหลายคนเหมือนกันที่พูดด้วยเปลือยเพยียงชนะนี้บางทีก็มีนิโครทะใช่ไหมที่เป็นปริภชกก็มีที่ตรัสกับรชาชกุมารก็มีที่เกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการสอนของพระองค์ที่พูดถึงเรื่อง เออเป็นสัญชาติแ่งคนตรงไม่มีมารยาเนี่ยเออเพราะต้องการจะอธิบายถึงคํานี้ซะหน่อยหนึ่งคำว่าไม่มีมารยาไม่มีมารยาเนี่ยมันหมายถึงอะไรเออเพราะว่าเราเคยพูดไปนิดนึงนะตรงนี้ที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่าผู้รู้จักบอกงี้ว่าถ้าคนตรงตรงเนี่ยนะไม่มีมารยาเนี่ยนะไม่โอ้อวดเนี่ยถ้าทําตามที่ผู้รู้จักสอนเนี่ยจะรู้ทําได้ไม่เกินเจ็ดปีโอ้เร็วนะครับเอาเจ็ดปีนะมรุพงศ์เจ็ดปียกไว้ก็ได้เจ็ดปียกไว้ก็ได้รับเอาหกปีก็พอ นะถ้าทําตามอยู่อย่างที่เราสอนนะมีสัญชาติเป็นคนตรงนะแล้วทําตามอย่างที่เราสอนเลยนะนะเราก็จะทําให้แจ้งให้ได้ภายใน6ปี6ปียกไว้ก็ได้นะผู้ชอก็ไล่ลงมาหปีสี่ปีสาปีสองปี1ปีหนึ่งปียกไว้ก็ได้นะเอา7เดือนอ่าไล่ลงมาอีกจนถึง6เดือน5เดือน4ี่เดือน3เดือน2เดือน1เดือนกึ่งเดือนครับกึ่งเดือนยกไว้ก็ได้เอ่าสิบห้ายกไว้ก็ได้เอาแค่7วันหนึ่งวัน เนะทศตอนเช้าได้พรุ่งนี้เทศตอนเย็นได้ตอนเช้านะหรือเทศเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีโอ้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณเป็นคนมีมารยาไหมละ่ะไม <Bayern S 1> มีไม่มีมารยาไม่อ้วดมีสัญชาติเป็นคนตรงครับนะั้นเป็นยังไงเอาแค่เราจะมาเจาะคำว่ามารยากันก่อนครับนะคือหน้าที่ของของพระสงฆ์อย่างอาตมาเนี่ยนะ ค, คือเราให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเพราะว่าตรงนี้คุณเคยอ่านเป็นพานอยู่แต่ว่ากําลังพูดถึงว่า โอ้โหถ้าพระเจ้าการันตีไว้อย่างนี้นะเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเอ้ยเราเป็นคนมีมารยาแม้เราเป็นคนตรงแม้เราทาอย่างที่พเจ้าสอนไหมแล้วทําไมเรายังไม่ได้อะตั้งกี่ปีแล้วเราปฏิบัติมานี่ครับเออพระเจ้าบอกไม่เกินเจ็ดวันโอ้โหนี่มันกี่ปีมาแล้วอย่างเงี้ะเกินไปเยอะเลยครับเอเอครับแล้วทําไมเอทําไมมันเป็นเพราะอะไรแสดงว่าไอ้ <ม S 1> คุณสม บ, บัติต่างๆเราเนี่ยเราอาจจะยังมีไม่ครบยังไม่ครบอ่าคําว่ามารยาเนี่ยมีสัญชาติคนตรงเนี่ยนะเอ่อคือหมายความว่า มารยาเนี่ยมันคือเป็นหน้าที่ของผู้สงหน้าที่ได้ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังใช่ไหมแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแต่เราต้องอธิบายคําว่ามารยานิดหนึ่งมานยานี่ยคือคือทุกคนมีพูจัดนักกลมไปเปิดดูเองได้เลยมันหมายความว่าอะไรนะทีนี้เรากำลังจะพูดถึงไอ้ความหมายที่ที่เราใช้ใช้กันเกี่ยวกับธรรมะที่เราใช้ใช้กันอย่างเช่นว่ามารยาเนี่ยคือลักษณะของการ h ี้ด e n นอันเจนด d าขี้ดิ้นอนเจคือมีความหมายแฝง คว oh, okay. ามแอแฝงแอย่างเช่นว่าอย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยจะขอไปที่นั่นที่นีนะ่ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมแต่ว่ามีฮิดเดนอเจนดาว่าขอไปเยี่ยมโยมที่บ้านด้วยเนะี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะ oh, <okay. S 2> ก็คือมีฮนะิดเดนอเจนดหรือว่า mm hmm. หมอต้นทอย่างเงี้ยขอไปบอกกับภรรยาที่บ้านว่าจะไปเที่ยวที่นี่อย่างเงี้ยแต่ก็มีฮิดเดนอเจนดาว่ า, าจะไปซื้อของด้วย ว่าจะแอบซื้อของมาเซอร์ไพรส์แม่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้คือขีดเดนในเจนดาเป็นต้นเข้าใจไหมคือความหมายที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่นะคือนี่ลักษณะของความมีมารยาแล้วก็ไม่โอ้วดนะไม่โอ้วกก็คือแบบไม่ยกตนข่มคนอื่นไม่พูดความดีของเราเองถ้าคนอื่นไม่ถามถ้าเขาถามตรงๆจังหน้าตอบเลี่ยงไม่ได้ก็พูดนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้คือคนไม่อ้วนะก็จะไปสอดคล้องกับประสูตที่วาจาสบยใหม่ ่ที่ที่พอพูดเรื่องดีๆของตัวเองก็ไม่พูดคนถามก็ไม่พู ด, ดถามจังหน้าเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่พูดนิดเดียวอย่างเงี้ยอนะืนี่ ค, คือไม่โอ้วดแล้วก็มีสัญชาติแห่งคนตร ง, นะคตรงนั่นคือตรงเนี้ยไม่มีมัญญาไม่โอ้วดเนี่ยเป็นวินยูชนเนี่ยนะ ค, คือลักษณะของคนที่มีสัญชาติแห่งคนตรงนะขึ้นวินยูชนเนี่ยไม่ใช่ปัญญาชนนะมอรัง S <S <S วินยุช น, น, ชนกับปัญญาช น, ชนไม่เหมือนกันปัญญาชนเนี่ยเป็น ค, คําที่เขาใช้ในสมัยปัจจุบันนะที่เรา<อ>พูดไปคราวที่แล้วนะว่าใช่ครับคุณเป็นปัญญาชนคุณไปเรียนอะไรนะคุณเรียนประถมมาคุณไปต่อมัธยมมัธยมจบมัธยมปลายคุณเข้ามหาวิาทยาลัยนะคุณเรียนมหาวิทยาลัยเสร็จปุ๊บเอาคุณศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปสัมมานั่นนี่เอาเรียนต่อวริญญาโทปริญญาเอกนะความรู้อะไรต่างๆที่เราเรียนเนี่ยนะเป็นคือเราเรียนความรู้ของคนอื่นต่อให้คุณทํางานวิจัยก็ตาม คุณทํางานวิจัยคุณก็คือเอาความรู้อื่นๆมาวิจัยอมืมาต่อยอดเ อ, อมาต่อยอดคุณทําเป็นงานวิจัยออกมาก็เป็นความรู้ของื่นที่เปลี่ยนแปลงไปมีการสังการถูกไหมใช่ครับออตรงนี้ทําให้คุณเป็นปัญญาชนขึ้นมาปัญญานี่ก็คือเอาความหมายไปใช้ก็ยังไม่ถูกต้องร้อยเเซนด้วยแต่เราก็จะใช้คําที่ชาว บ, บ้านเขาใช้กันก่อนนะครับปัญญาชนนี่คือแบบว่าเรารู้นั่นรู้นี่รู้มากรู้อะไรต่างๆมีความรู้ความเรียนจบด็อกเตอร์ปริญญาตปริญญาโทใส่แว่นตาหนาหนาแล้วก็ครับทําตัวเซ่อเอย่างงี้นะ ครับเออเออลขศนนี้คือคือที่เขายกย่องกันว่าเป็นปัญญาชนนะออื<ม>เป็นความรู้ทางโล ก, โลกแต่ปัญญาชนเนี่ยยังไม่ใช่วินญูชนเพราะว่าคุณไปรู้ความรู้ของผืนหนึ่งจนกระทั่งความรู้เนี่ยเข้าไปในจิตของเราเรารู้เองแตนะวินยูชนหนึ่ง<ม>จึงเป็นพี่ผู้รู้เองรู้ได้เฉพาะตนนี่<ม><ม>เป็นลักษณะหนึ่งของธรรมะนะครับอ่วินญูหีตินะจํำได้เนาะอ๋อใช่ครับบทช่วยเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน นั้นเป็นวินยูชนเนี่ยก็คือเป็นชนที่แบบต้องการจะหาความรู้อย่างเนี้ยใส่ตัวไม่ใช่ปัญญาชนนะปัญญาชนเนี่ยคุณอ่านหนังสือคุณไปอะเทนซัมนารไปต่อเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาตีเรียนภาคค่ําด้วยนะไป ป, ะปฏิปุจชาวินีตาอะไรต่างก็ตามเถอะนะไปคุยธรรมะกันเพื่อที่จะได้เป็นปัญญาชนขึ้นมาอ่าคุณเป็นวินยูชนหรือเปล่านะที่พระเจ้าต้องการให้เป็นเน่ยคือเป็นวินยูชนไม่ใช่ปัญญาชนนะเป็นวินยูชน วินยู่ชนเพราะฉนั้นคือเร า, <ม> เ, ราเรารู้ด้วยตัวเองเราทําเองเห็นเองเราให้รู้ในจิตของเราครับนะอย่าง<ม>อย่างบางทีเขาเขาบอกว่าให้คุณระลึกถึงพระสงฆ์อย่างเงี้ยเป็นสังกานุสติใ ช, ใช่ไหมครับเอ่อบางคนบอกว่าอ้าวนึกถึงใครดีละ่ะพระสารีบุตร ม, มั้ยดีไหมดีเพระมโมคคานะอย่างนี้นะนึกถึงบุคคลเหล่านี้เป็นสังกานุสติอยู่แล้วใช่ไหมนึกถึงการปฏนบาทของครูบาอาจารย์เป็นต้นแต่ถ้านื้ถึงพระเจ้าก็เป็นพุ้ตันุสติอย่างเงี้ยนะ ไอ้ต้องสังขารนุสตินี่ก็เป็นพระธรรมนะอ๋อเป็นหมวดหนึ่งของพระธรร่าเป็นหมวดหนึ่งของพระธรรมเป็นสติใช่ไหมแล้วก็เป็นสงก็เป็นหนึ่งในรัตนตรัยแล้วถามว่าใครไประลึกถึงก็ตัวเราเองนะตัวเราจิตของเราเพราะฉะนั้นเราไประลึกถึงนี่ก็เป็นพึ่งตนพึ่งธรรมถูกไหมถูกครับเพราะนั้นเราพึ่งตนพึ่งธรรมอย่างนี้เนี่ยก็คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราไม่ได้พึ่งสงนะคือหมายถึงว่าเราพึ่งเพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงคือเป็นสติแล้วถามว่าใครเป็นคนระลึกถึงก็ตัวเราเอง ครับจิตของเราใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเราเป็นระลึกถึงเนี่ยคือเราให้เป็นบินอยู่ชนคือเรารู้ในจิตของเราไม่ใช่แค่นึกถึงแบบความจามํานึกถึงแบบสัญญาหรือว่านึกถึงแบบความหมายรู้พวกนี้ไม่ใช่อันนี้จะลึกกว่าหมายความว่าคือเข้าไปในจิตไงครับเ ข, ข้าไปในจิ ต, จตคือรู้ด้วยตาในใจอคือคไม่ใช่รู้ด้วยสมองหรือรู้ด้วยความจําอันนี้คือเรียกว่าจําได้เฉย ครือคืออย่างปัญญาชนที่เราใช้กันเนี่ยคือแค่คุณจําความรู้ของคนอื่นแต่คุณจำความรู้ของพระพุทธเจ้านะคุณจําประสูทธอ่ะจำทรมุนจําประสูทธได้ท่องได้หมดเลยนั่นคือจําความรู้ของพระพุทธเจ้าเฉยๆยังไม่เรียกว่าเป็นวินยูชนวินยูชนอ่าคือคุณต้องรู้เข้าไปในใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยํามว่าลาดับขั้นตรงนี้มาเป็นยังไงเอ้าพระพุเจ้าก็ไล่มาแลยนะ คุณมีศรัทธาใช่ไหมคุณจึงมามาจําความรู้ของพระเจ้าใช่ไหมแต่แล้วคุณมีความเพียรนะเราจะทํายังไงจากปัญญาชนเนี่ยให้เป็นวินยุชนนี่ยกระบวนการอยู่ตรงนี้อยู่แล้อินสี่ห้าพละห้าใช่ไหมคุณมีศรัทธาคุณจึงมาพยายามจําความรู้ของพระเจ้ามีความเพียรวิริยะความเพียรตรงนี้ศรัทธาตรงนี้ทำให้คุณมีความเพียรในการทำมีความเพียรในการทําจิตคุณมีสติที่คุณมีสติคุณเป็นสมาธิจิตคุณเป็นสมาธิปุ๊บคุณ รู้เองขึ้นมาตรงนี้แหละกระบวนการตรงเนี้ยทําให้จากปัญญาชนเป็นวินยูชนได้ครับอันนี้คือเธอเป็นวินยูชนนะไม่อ้วดนะไม่มีมารยานะมีสัญชาติเป็นคนตรงนะออย่างนี้นะมารยาณ์นี่มันยังมีอีกหลายอย่างนะคือบางคนเนี่ยยกยกย่องตัวเองว่าดีในเพื่อนที่จะว่าคนอื่นฉันดีนะเพราะนั่นเธอชั่วอ๋อยกตนข่มท่านอันนี้คือลักษณะของอ้วดโอ้วด อ่ะคือชั้นดีคือสมมุติว่าชั้นดีชั้นศึกษาหาความรู้ดีแล้วเพื่อที่จะไปว่าคนนี้ว่าคนนี้จะไม่ดีอืมอันนี้ไม่ถูกคือคือบางบางทีบางคนเนี่ยเอ่อพูดพูดให้คนอื่นทําดีแต่ว่าเธออย่าทําดีกว่าฉันนะอ๋ออย่าให้หน้าฉันมีมารยานะครับคสังคมไทยมีเยอะนะเออคือ hidden agenda นะเฮ้ยทุกคนทําดีศึกษาหาความรู้แต่อย่าทําเกินหน้าฉันนะ อืมใช่ใช่ทดีได้พูดให้คุณนอ่นทําความดีแต่อย่าดีกว่าตัวฉันนะอย่างเงี้ยอันนี้มีมัญญาแน่นอะครับครับถือเป็นกิเลสหมวดหนึ่งใช่ไหมครับโอ้โหมันกิเลสหลายหมวดมันรัตุรงเรารัดรึงอเลยละเนี่ยนะครับเออทีนี้อันยันหนึ่งก็คือสมมุติเราจัดรายการธรรมะอย่างเงี้ยครับแตถ้าธรรมะจัดรายการธรรมะเพื่อหวังว่าเอ้ยนี่เป็นทางหากงินของเราเป็นอาชีพของเราจัดรายการธรรมะอันนี้ผิดเลยนะพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้มีอาชีพจัดรายการธรรมะนะหรือไม่ได้มีอาชีพเทศนะ พระสงฆ์อาชีพของพระสงฆ์คืออะไรคือการไปบินบาบใช่ไหคือการหาเลี้ยงชีพของพระสงฆ์แห่นี่คือบิณนดาบสําหรับคนที่บินดาบไม่ได้ทํำยังไงก็ถ้าเขาจะมีนิมนต์ไปฉันในที่ที่ฉันนั่นก็ไปได้คนั่นก็รณยรกิจสี่ผู้ชายตรัสไว้ชัดเจนคือใช้ผ้าบางสกุลอยู่ตลอดเลยแต่ถ้ามีคนถวายก็จะใช้ก็ใช้ได้เอาอยู่คนไม้เป็นตลอดเลยแต่ถ้าคนจะเอาสร้างที่อยู่ที่พักอะไรให้อยู่ก็อยู่ได้อย่างเงี้ยทําได้ครับอันเป็นต้นนะครับ อันที่สก็พูดถึงการไปบิณนบาบ อ, นะอันที่4ก็พูดถึงการรักษาโรคด้วยการยากินยาดองน้ํามูดเนา่าแต่ถ้ามีคนที่เขามีศรัทธาจะถวายโอสถนะโอสถเป็นประณีตหรือว่าอาหารที่ไม่ต้องไปเกี่ยวกับบิณนบาบก็สามารถรับประทานได้ก็สามารถรับ อ, อยู่ได้อยี่ห้อต้นนะเพราะฉะนั้นนี่คืออาชีพของพระนี่คือกรณีกิจที่ต้องทําแต่เพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของพระเนี่ยง่ายตรงที่ว่า คือเราเราอย่งายงนีเ้เราเรื่องการแสดงธรรมที่เป็นอะไรนะไม่ใช่เป็นอาชีพของพระเป็นความเมตตาการุณาของธรรมมันก็ก็<น>ถ้ามีคนถามเราก็บอกให้ได้ทําตามหน้าที่ของประสงค์คใช่ไหยทำตามหน้าที่ของประสงค์ก็คือให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังท<ำ>ําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งบอกทางสวัรด์ให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีถามว่าทําสิ่งพวกนี้นะเพื่อที่จะเป็นอาชีพไหมก็ ก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ถ้าใครคิดถ้าใครคิดอย่างนั้นแสดงว่าคนนั้นมีมันยามีมันยามีวลาซ่อนเลนใช่มีฮิด d ด้นเซนด้อยู่เช่นบางบางคนอย่างที่ผมพบพบเนี่ยก็คือพระที่ไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆจะมีกล่องให้แบบว่าเหมือนแบบทำบุญติดกันเทศอย่างเงี้ยครับอันนี้ใครทำถ้าท่านทำท่านทำเพื่อหวังว่าเอออันนี้จะได้เป็นกินคายภาษาอีสานก็มีกินคายกินขาย ในะนะกินคายมาถึงว่าฆ่าเทศอย่างเงี้ยออวันนี้ไปเทศมาได้กินคายโอ้โหมัดีมากเลยอย่างเงี้ยก็แ<ม>สดงว่ามีฮิดดึนเจนได้อยู่<ม>อืมถือว่าผิดวินัยไหมครับท่านเอก็ผิดวินัยไหมไม่เป็นไม่ได้ผิดวินัยนะตรงที่ว่าไม่ได้เป็นบทสิขาบทอะไรที่บัญญัติเอาไว้จริงๆเรื่องผิดวินัยเนี่ยมันก็ก็เอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพูดตอนต่อไปอยู่ อเอาไปประเด็นตรงนี้ก่อนว่าถ้าพูดถึงหมวดของวินยัยทํากับวินัยใช่ไหมพูดถึงวินัยตรงนี้ก็เท่าที่ดูดูแล้วก็ไม่ผิดอะไรโอครับแต่นี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าตื่นไว้เฉยว่ามิสมควรในอนาคตการอาจจะเป็นสมัยนี้ก็ได้หรือว่ายัางมาไม่ถึงก็ได้นะที่ภิกษุเนี่ยจะาขายธรรมะกินโอ้ขายธรรมะกินครั บ, ค, รบคือลักษณะที่ว่าเอาของดีเนี่ยไปแลกของที่มีค่าน้อย เนี่เหมือนก็เอาเพชรไปแลกกับเกลืออย่างเงี้ยครับโอ้โหธรรมะนี่หาค่าไม่ได้แนะหมาเราใช่ครับประเมินมิได้ที่เราเคยคพูดไปเนี่ยว่าอของอย่างเงี้ยแหมถ้าจะเอาหนังสือธรรมะให้คุณเนี่ยแล้วคิด3มล้านเนี่ยโอ้คิดไม่ได้หรอถึงจะคิดคได้จะมีคนจ่ายก็ไม่มีคนจ่ายอะ่ะเพราะว่ามันราคาสูงเกินไปใช่ไหมแต่ถ้าเรารจะคิดแค่เอาซักเล่มละหกสิบาทโอ้ยหรือแค่คิดค่าพิมพ์มันก็น้อยเกินไป มันไม่คุ้มค่ากับธรรมะเอางี้กันให้เปล่าเลยเพราะว่ า, ามันหาค่าไม่ได้ัด้วยความที่หาค่าไม่ได้แล้วคุณไปเทศเพื่อกินคายหรือว่าเพื่อที่จะหามาเลี้ยงชีพของตัวเองอันนี้ผิดเลยอันนี้คือผิดสําหรับพระสงฆ์นะแต่ถ้าอย่างกรณีของคุณจัดสมนาขึ้นมาอย่างคารวะอย่างเงี้ยจัดสมนาขึ้นมาคุณคิดหัวะละสามพันอันนี้มันเป็นทางหากินของครขขารวะอยู่ถูกต้องใช่ัแต่ว่าไม่ใช่ทางหากินของพระที่ว่าไปเทศสอนเพื่อหวังกินคาย โอ้เพื่อหวังเอกลาบปัจจใจอ่าอันนี้เป็นมารยาละมานยาละครับหรือเพื่อหวังชื่อเสียงเยินยออันนี้มานยาละเพื่อหวังคนมากๆให้รู้จักเราอันนี้มารยาละะเทศคนน้อยๆไม่ไปโถดูพระุเจ้าห้าคนยังไปอะครับมีคนเดียวก็ยังไปคนเดียวถ้าคืออุตส่าห์รำบตรใช่ใช่ฮะก็ยังเทศอ่ะ ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องเป็นคนหลายร้อยหลายพันต้องเวทีใหญ่ๆโอ้นี่จะมาถึงสาธุมากเลยสมัยปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีขนาดว่ามอาโตงนั่งอยู่ที่บ้านอาจานั่งอยู่ที่วัดเราพูดกันผ่านอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังก็นั่งอยู่ที่บ้านแต่ละคนเป็นร้อยร้อยๆคนเนี่ยฟังได้พร้อมกันอย่างเงี้ยครับแล้วทั้งโลกด้วยครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราอยู่ออสเตรเลียอยู่อะไรด้วยครับเพราะฉะนั้นมันไปไกลแล้วแต่ถ้าเราพูดถึงความกรุณาของประชาชนเนี่ยพวกมีมากจริง ดังนั้นไอ้เรื่องที่พระเจ้าสอนว่าอย่าให้มีมารยานะอันนี้เราก็จะต้องละออกไปครับตัวเมื่อกี้นี้พูดถึงตัวธรรมาที่ว่าเราไม่ได้เทพเพื่อกินขายครับแตถ้าเราทําทอย่างนั้นถ้าเราทําอย่างนั้นเราจะเป็นคนมีมารยาอครับทีนี้าบางคนเนี่ยที่พูดถึงประเด็นที่ว่าพอเรามีไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงไม่โอ้อวดแล้วเนี่ยรพระเจ้าสอนอะไรให้เราพยายามทําอย่างนั้น แสดงทําอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างที่สอนก็จะทําให้แจ้งซึ่งที่สุดที่งานปฏิบัติได้คือหมายว่าทําไมพระุทธเจ้าถึงบอกอย่างนั้นคือบคนที่ไม่ดีก็มีในธรรมบินาในะในคําสอนพระพุทธเจ้าคนที่ดีก็มีทีนี้พระพุทธเจ้าทำยังไงกับคนที่ไม่ดีอระพุทธเจ้าก็บอกไว้เลยตั้งแต่ตอนที่วิธีการตรวจสอบตรวจสอบของความเป็นสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีการตรวจสอบสัมมาสัมพุทธะเนี่ย ก็จะมีกระบวนการอยู่นะหนึ่งในอ น, นั้นก็คือว่าสมมุติพระเจาสอนยอยนนู่คนที่ทําตามได้ก็มีคนที่ตาตามไม่ได้ก็มีพระเจ้าก็ไม่ได้โกรธขัดเคืองคนที่ทำตามไม่ได้หรื อ, อว่าชื่นชมคนที่ทําตามได้อันนี้เป็นลักษณะของสมสมิพระเจ้าอย่างหนึ่งโอ้ไม่ไม่ได้เยินยอคนที่ทําได้ไม่ได้รังเกียจคนที่ทําไม่ได้อ่าคือหมายความว่าจะเรู้สึกแบบยกยกยกตัวอย่างเช่นนะยกอย่างเช่นสมมุติบอกว่าให้มีเมตตา ค, คนนี้มันทําเมตตาไม่ได้เลยจิตมันมีแต่ความผูกเวนมีแต่ขวมปยาบาทอยู่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ า, าก็ไม่ได้ด่าวะทําไมมึงทําอย่างนี้วะ <ừ> มันมายัางไงมันใครบวชมาเป็นผมไม่ได้ด่าอย่างนั้นนะโอครับคือสมมติว่าพระพุทธเจ้ า, าบอกว่ า, าทุกคนมีสัมมาวาจาแต่ตัวพระองค์เองยังด่าว่าอยู่พระพุทธเจ้ า, าจะไม่สามารถหมุนธรรมชาติได้จริงครับเออ่คือเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชามาแลง S <S เป็นธรรมราชาเป็นธรรมราชาเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่พูดอย่างไรทําอย่างนั้นคือสอนอย่างไรก็ทําอย่างนั้นทําอย่างไรก็สอนอย่างนั้นครับ <Lynn. S 2> <iatric. S 1> แเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวธรรมแล้วเราอย่างจะไป อ, อด่าว่าเนี่ยมันมันไม่ถูกแล้วคนกล่าวธรรมจะไปด่าว่านะครับเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลักษณะที่ว่าอธรรมจากที่พระเจ้าหมุนเนี่ยนะหมุนไปแล้วเนี่ยเอจะไม่มีใครที่จะต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือแต่เราจะสามารถช่วยหมุนตามได้ หนะมุนตามได้ก็คือปฏิบัติตามนั่นเองคือมันยังท่านภระ า, ารีบุตรเนี่ยพระเจ<ช>้ายกย่องมาเป็นผู้ที่สามารถหมุนตามธรรมจักรเราได้อย่างนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านพระองค์สอนไว้เ อ, อแค่นั้นเองออทีนี้พอพ อ, พ, อพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยให้ตรวจสอบได้อย่างนี้นนก็คือจะไม่ด่าว่าใครเพราะฉะนั้นคือถ้าใครทําไม่ดีเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ด่าว่าให้เสียเสีย ห, หายหายคือไม่ใช่เป็นลักษณะของการเพ่งโทษอืแต่วิธีการพิจารณาของพระเจ้าเนี่ยคือจะมีการตรวจสอบก่อน สมมติว่าใครทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดขึ้นมาเอ๊ะผิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอามาตรวจสอบก่อนงั้นก็ต้องเรียกคนที่ได้รับการโจทย์ออกมานะผู้โจทย์พูดถูกโจทย์เรียกมาแล้วก็มาตรวจสอบตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะของอธิกรณ์ละแต่ถ้าตัดสินโดยไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยจะไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าละจะตัดสินไปเลยโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนี้ไม่ใช่แล้ว<อ>แสดงว่ามันไม่เป็นไปตามธรรมอย่างเงี้ยคุณตัดสินก่อน<ช>จะก่อนที่คนอื่นเขาจะมาพูดให้ฟังหรือว่าตัดสินก่อนก่อนที่เจ้าตัวที่ถูกโจทย์จะมา มามีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ยุติธรรมมากๆเลยนะไม่ใช่วิธีการระงับเรื่องราวที่ถูกต้องครับอย่างสมมติขอโทษนะอย่าหมอละทงเงี้ยลูกทําผิดอ่ะถ้าลูกทําผิดเนี่ยเราจะตีลูกเลยนี่นะเอ้ยมันไม่ได้หรือเราจะด่าว่าเขาเลยมันไม่ได้นะเราต้องต้องตรวจสอบก่อนะอลูกทํางี้จริงไหมเอาไหนสิ่งนี้แต่จริงไห้เอ่อเรามีข้อตกลงกันว่าไงเราก็ถึงจะมีบทลงโทษขึ้นมาครับแล้วบทลงโทษของครชาานะหมอละพง ไม่ได้ว่าตีไม่ได้ว่าไล่ให้ศึกหรือว่าไม่ได้อะไรก็คือแค่ปรับอาบัตปรับอาบัติคืออะไรหมอทวดพงศ์ก็ใจไหมปรับอาบัติเนี่ยอปรับอาบัติก็คือว่าให้ประกาศโทษของตัวเองออกมาแค่นี้เองนะครับคือไม่ได้ออกแบมือมาฉันจะตีเธอไม่เป็นนะอืมหรือว่าเอาเธอไปยืนตากแดดไม่เป็นนะอืมหรือว่าเอามาจะจะเขียนเธอสามสิบทีไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับไม่มีนะคือแค่ให้เธอประกาศความผิดของตัวเองออกมาแค่นี้เองนะนี่คืออาบัตนะ ครับให้ให้หมู่คณะทราบว่ามีความผิดแล้วก็มีบัญญัติที่เรียกว่าคนแรกไม่เป็นไรแต่ถ้าใครทําอย่างนี้อีกต้องออกจากกรรมเป็ระ น, นี้ก็มีครับอันนี้คือพูดถึงต้นบัญญัติตอนที่ตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยก็คือยกประโยชน์ให้จําเลยในการที่จะตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีใครทําซ้ําอีกอันนี้ถือว่าถือว่าผิดนะก็ต้องออกไปอย่างเงี้ยนี่พูดถึงอาบัติปราชิกเป็นต้นนะครับปราชิก4ี่หน่อส่วนอื่นๆนี่ส่วนอื่นๆนี่ก็คือมีแค่ประกาศความผิดของตัวเอง หรือว่าลักษณะของไปติดคุกพระก็มีคือสังการที่เศษสังการที่เศษคือ ค, คือเรากําลังพูดถึงประเด็นที่บรูเชาเนี่ยมีมีความเมตตาความเมตตาจริงๆนะครับเนี่ยเมตตาตรงเนี้ยคือหมายถึองอะไรหมายคือว่าจะสอนใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะหมอรัฐพงศ์มันมันไม่ใช่ว่าคุณไปด่าว่าเขาแล้วคุณถึงจะสอนเขาได้อืคืออย่างลูกของเราเนี่ยครับลูกมันทาบิดใช่ไหมมันยังเด็กอยู่เนี่ยนะมันจจะกินข้าวหกเลอะเทอะบ้างอาจจะเล่นโบกเบกโวยวาของมันบ้างเนี่ยถ้าเราเรียกลูกมาด่าตีเขาเนี่ย เฮ้อันนี้เราสอนเขาไม่ได้นะอ๋อคือ<ร>คือหมอเราต้องเข้าใจเข้าใจครับเราอย่างถ้าพุทธเจ้าคอยด่าว่าคนอื่นเนี่ยด่าว่าสาวกอะไรต่างาก็จะไม่มีใครอยู่กับพระองค์ด้วยเลยจริงครับเอ่นี่มีมีตัวอย่างที่พระเจ้ามีภิกษุสองโรคที่ทำอะไรไม่ถูกต้องนะทําเสียงดังบ้างพูดอะไรไม่ถูกต้องบางพระพุทธเจ้าก็ไล่ไปครับอยู่ตรงนั้นก็ไล่ไปก็เลยมาคิดว่าโอ๊ยไล่ไปนี้ คืคือ<ด>มีความหวังความไม่ตากรุณาในสองพิสูสองรูปนั้นก็เลยแผ่เม่ตายให้เขานะเขาก็กลับมาฟังธรรมทีละรูป ต, ตรงเนี้ยทาให้เราเห็นว่าอ๋อการด่าว่านี่หมายความว่าเราจะสอนใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยสมมุติเขาทําผิดเนี่ยเราจะให้เขาออกจากความผิดหรือคุณจะย่ยํายีเขาให้ตกต่ำลงไปแต่นะถ้าคุณเลือกที่จะย่ายีเขาให้ตกต่าลงไปคุณกระทึมเลยนะคือด่ามันซ้ําลงไปทิมแทนด้วยหอกคือปากด่าเสียเสียให้หายด้วยวาจาหยาบขายไร้กายของไม่ใช่ของสับดุล นะนเช่นนว่าขุดเง้าหัวมันด่าดา่ดาไปเลยอืครันะสองคนนั้นที่เราคิดว่าเราจะทําให้เขาดีเนี่ยเขาก็ยิ่งตกต่ำลงจริงครับนี่แน่นอนนะอ่าลึกกําดำดิ่งเลยถ้าเราคิดว่าเอ๊จะครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้เราก็คิดว่าอยากจะให้เขาปรับปรุงตัวขึ้นมาคุณต้องแผ่เมตตาครับต้องมีเมตตาตการมีเมตตาต่อกันเนี่ยจะทําให้อคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างน้อยนะจิตก็จะน้อมไปในทางกุศลจริงครับ เนี่ยจะมาจําได้นะสมัยเด็กๆนี่ก็ไม่เด็กมากวัยรุ่นเนี่ยนะนะครับ เ, เคยอ่านการ์ตูน ญ, ญี่ปุ่นนะอ่าใช่การ์รตูน ญ, ญี่ปุ่นมันก็จะมีหลายๆตอนหลายๆเรื่อ <Season ed. S 2> งว่าจะมีตอนหนึ่งที่เราจําได้นะตัวละครในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีคนหนึ่งที่ทําไม่ดีนะคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นเหมือนกับนักเรียนหรือหัวหน้านักเรียนเนี่ยนะหัวหน้านักเรียนเขาก็จะใช้ชื่อว่าในนามแห่งเทพบาชาของความดีฉันขอลงโทษเธออ๋อ S <S ในนามของเทพเจ้าแห่งความดีฉันขอลงโทษเธออืม เ, เพื่อว่าเพราเพราะเธอเนี่ยทําไม่ดีไม่ฉันในนามแห่งเทพเจ้าของความดีฉันจะลงโทษเธอเอาเรามาคิดถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราคิดว่ามันขัดขัดกันนะมสะมมติพระเจ้าพูดว่าเอาละในนามแห่งธรรมะฉันจะขอด่าเธ อ, อ ม, มันมันฟังไม่ได้นะมมหมอและผมธรรมชาติของพระเจ้าจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอืมสิ้นเชิงนะไม่สิ้นเชิงยังยกเฉพาะพวกตัวเอง อย่อยังยังยกเฉพาะพวกฉันนะพวกอื่นไม่ได้ต้องด่าอย่างเงี้ย อ, อหรือว่าเอ้าวค่าสัตว์ใหญ่ค่าได้แต่สัตว์เล็กไม่ค่าหรือสัตว์เล็กค่าได้สัตว์ใหญ่ไม่ค่านี่ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชลิงแปลว่ามีความเหลื่อมล้ำ <c oughs> มีความเหลื่อมล้ำมีความไม่สิ้นเชิงมีความเรียกว่าไม่งดง า, านทั้งเบื้องต้นะเบื้องปลายท่ามกลางที่สุดนะครับจริงครับแต่พระพุทธเาของพระพุทธเจ้นี่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงครับแต่ประเด็นก็คือคือปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเสมอกันนะ เราจะบอกว่าปฏิบัติเสมอกันไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าเสมอกันที่จิตของคนทำไม่ว่าเขาจะดีเขาจะร้ายเรามีจิตเสมอกันครับคือไม่ใช่คนดีเรายกย่องสรรเสริญเชิดชูนะคนชั่วๆ่วมาเราด่าทอเสียดสีเฮ้ยอันนี้มไม่ถูกนะจิตคุณสองมาตรฐานจริงครับโอ้วันนี้รู้สึกว่ามันจริงๆแบบว่าจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงเลยครับท่าน เพราะว่า oh, <right. S 2> ในในทางโลกเนี่ยสองมาตรฐานจริ ง, รงๆกับคนดีแล้วก็พูดดีหรือกับคนที่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พูดดีพอคนที่ต่ําต้อยกว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดดีแบบนั้นแบบอืมอันนี้ เ, เพราะฉะนั้นในนามในนามของทเทพเจ้าแห่งความดีถ้าเราจะไปด่าใครว่าใครเนี่ยเราเราทำไม่ถูกใช่ครับอันนั้นคือยังเป็นความที่ไม่บริสุทธิ์ของกุเองอืมครับเพราะฉะนั้นเราทําบริสุทธิ์ทํายังไงอ่ะเราต้องการให้เขาดีขึ้นใช่ไหม ครับถ้าคุณต้องการให้เขาดีขึ้นแล้วคุณด่าเขานะคุณเป็นคนมีมารยาออเพราะอะไรเพราะว่าบอกให้คุณนอ่นทําความดีแต่ตัวเองทําความชั่วมารยาไมลักหมาละองคงว่าสองมาตรฐานไมลักหมาละองค์ว่าใช่เลยครับท่านสองมาตรฐานนะมีมารยาด้วยนะบอกให้คุณนอ่นทําดีแต่ตัวเองทําไม่ดีบอกให้คุนอื่นทําดีแต่อย่าดีกว่าฉันนะมารยานะสองมาตรฐานนะเออเพราะนั้นมันไม่ถูกแล้วพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้บอกให้ใครเป็นอย่างนั้น อ่านกวิธีวิธี <c oughs> ที่กำจัดภิกษุประเภทนี้พระเจ้าทำยังไงสมมุติพระเจ้าบอกว่า้ภิกษุที่ไม่ดีต้องช่วยกันกำจัดนะใช่ครับมาแลพ้องกำจัดยังไงตีความตรงนี้ว่างไงไม่ใช่ไปด่าดตีไล่เขาออกจากความเป็นพระให้สึกโอ้โยพระเจ้าไม่กล้าทำเลยอให้พระศึก น, นอกจากเอาบาตรปราชิกจริงๆแล้ว<ร> น, นี่ใช่ครับนนออขนาดว่าผู้ที่ไปอยู่กับเทวทัตวาสารีบุตรบอกจะให้สึกนะกลับมาแล้วจะให้สึกแต่คือให้บวชใหม่ นายพระเจ้าบอกเอาไม่เป็นไรให้ปราบอบัติตลวัยนี่แสดงถึงความมีเมตตาครับประเด็นก็คือว่าวิธีการกำจัดภิกษุเหล่านั้นคือกำจัดความชั่วที่อยู่ในใจของเขาอืไม่ได้กำจัดตัวตนเขาไม่ได้กำจัดตัวตนเขาอย่างนั้นครับในยังเด็กที่มันไม่ดีอ่ะเราเราสั่งสอนเนี่ยเราลองสั่งสอนนิสัยที่ไม่ดีของเขาไม่ได้ด่าว่าตัวเขาเรากําลังจะบอกนิสัยที่ไม่ดีนี่ให้มันออกไปแต่คือกิเลสนั่นเองครับตัวกิเลสใช่ครับปัญหานั่นเอง คืออวิชชาและสิ่งที่มันแฝงอยู่ในในตัวของเราครับใช่ครับซึ่งทุกคนมีผู้ที่ยังไม่บรรลุใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราคือหมายว่าเราพยายามที่จะกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจของเราครับเอ๊ะมีเพื่อนที่เป็นประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเอ๊ะจะทํายังไงถึงจะกําจัดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกจากใจเขาได้ถ้าเรารจะช่วยเขาครับต้องให้เขาเอ่อสำนึกแล้วก็แสดง ยอมรับความผิดอด้วยตนเองอย่างนี้ใช่ไหมครับจะให้เขาสํานึกและยอมรับความผิดด้วยตัวเองได้อย่างไรอืมด่าว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเหยียบย่ำเขาไม่ได้แน่นอนยิ่งจะเหยียบย่าให้ตัวเขาต่ําลงตัวเองยิ่งต่ําอีกเพราะตัวเองกลายเป็นคนมีมารยาเป็นคนสองมาตรฐานอืครับตัวเองก็ไม่พ้นอยู่แล้วยังทำให้คนเนี้ยแย่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคือจะต้องทำไงมีเมตตายิ่งคนที่เราอยากจะช่วยให้เขาดีขึ้นมาเนี่ยเรายิ่งต้องมีเมตตามากๆเลยเพราะอะไรหมอทศพล คนที่เขาไม่ดีนี่นะหรือว่าคนที่ด่าคนอื่นนี่นะใจของเขาเนี่ยมีแต่มีแต่ความทุกข์อยู่แล้วจริงครับหรือคนที่กล่าวกล่าวร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยใจในใจของเขานี่ยมีแต่เรื่องทุกข์ๆเรื่องแย่ๆสมมติถ้าอาจมาจะด่าหมอรัตพงศ์เนี่ยนะขอโทษนะเราก็จะนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีของหมอรัตพงค์ต่างๆนานาทาอะไรขุดออกมานึกในใจของเราก่อน นึกในใจนของเราเราจะใ ค, คล้ครัวว่ามันชั่ว ย, ยังไงมันทําอะไรไม่ดียังไงโอ้โหแล้วแค่ตอนเนี้ยเราก็ขนลุกแล้วว่าโอ้โหตายแล้วเราเป็นคนไม่ดีอ <Julian. S 1> ถ้าเราทําอย่างนั้นจิตของเราจะมีแต่ความทุกข์ทันทีครับอันนี้มันทำเหตการนี้ไว้ตรงนี้มันสอดคล้องกับสูตรนี้ด่ามันซะก่อน <risen. S 1> อันนี้ทํามันชั่วมันงี้ไว้ตรงนี้มันคนนี้เคยทํางี้ด่ามันซะก่อนนั่น <risen. S 1> ใช่เราก็จะมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์และความทุกนะเสียสองอย่างคือหนึ่งคุณไม่ได้ช่วยเขาด้วยิไม่่่ได้ชววยเเขาาาพระ เอมันไม่ได้มีไม่ตายนะสองตัวเรากลายเป็นคนมีมารยาเป็นคนสองมาตรฐานอนะซึ่งทําให้พระมจากษัตริยาไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงที่แทนกันด้วยหอกคือปากก็จะไม่ถูกต้องแล้วถิ่ของเรานี่ก็ยังจะเป็นมีแต่เรื่องความทุกข์เพราะว่าใส่ร้ายกล่าวหาคนอื่นคมันก็จะถ้าจะพูดว่าในนามแห่งเทพเจ้าความดีของฉันขอด่าเธออันนี้พูดไม่ได้เลยไม่ใช่พู้ถวาจนะด้วยไม่ถูกต้องครับ อืมอืมอืมครับเพราะฉนั้นถ้าเราจะรักเอ่อหมายถึงว่าเราจะต้องการให้คนอื่นทำดีอ่ะหวังดีครับเอ่อต้องการให้สังคมดีขึ้นอ่ะคุณจะไปด่าใครไม่ได้จริงครับต้องมีเมตตาอืมมีเมตตากับทุกทุกคนรวมัึงตัวเราเองด้วยใช่ไหมครับอย่างขอทานที่เขามาขอทานหน้าบ้านเนี่ยนะครับเราเขามาขอเงินเนี่ยเราให้เขาเท่าไหร่ห้าบาทสิ บ, บาทนั่นน่ะสิบบาทพึงดีมากไปอืมเราให้เขาเนี่ยถามว่าเรามีเมตตาไหมมีม เราต้องการให้เขาพนุมีให้นะเราก็ต้องไปหยุดสักที่หนึ่งคือจุดที่อุเบกขานะที่พอจะช่วยเขาได้คือถ้าไม่ไม่หยุดเนี่ย<ม>ก็จะต้องซื้อกว๋วยเตี๋ยวให้เขาด้วยนะแล้วก็พาเขาไปอาบน้ําหรือว่าโทร<ม>เอาเบอร์โทรศัพท์ของสังคมสงเคราะห์ให้นะถ้ายังมีไม่ตามไม่หยุดเราก็ต้องช่วยเขาให้เขามาอยู่บ้านเรานะ<ม>ให้งานเขาหรือว่าให้เขาทําความดีแนตะ่มาอยู่บ้านเรานะครอย่างเงี้ยนะคือถ้ามันไม่หยุดมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนอย่างเช่นลูกของเราอย่างเงี้ย เรามีความเมตตาอย่างไม่มีประมาณนะเขาจะป่วยเขาจะอายเขาจะเจ็บอะไรดึกดือนแค่ไหนเราพาไปหาครับถูกไหมเพราะเรามีเมตตาอย่างไม่มีประมาณอืมจริงครับทีนี้ถามว่าภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีคอยที่จะทําให้สมดุลระหว่างเมตตากรุณาบุริษตาอุเบกขาใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเมตตามันก็ต้องไปหยุดที่อุเบกขาสัจุดใดจุดหนึ่งสําหรับบางคนสําหรับคนนี้คนนี้ก็จะไม่เท่ากันใช่ครับต้องมีจุดพอดี ใช่ <Gree f S 1> เพราะนั้นถามว่าไอ้อตรงนี้สองมาตรฐานไหมอ๋อมันก็คือมาตรฐานเดียวที่ว่าจิตเรามีพรหมิหารสี่ใช่ครับพรหมิหารอ่า <c oughs> อย่างสมมติมอท่ า, ทานมีพรหมิหารสี่กับเค้าทานกับมอท่านมีพรหมิหารสีกับลูกเนี้ยครับมันก็คือมาตรฐานเดียวที่จิตเรามีพรหมิหารสี่แต่เราจะเลือกธรรมะตรงไหนมาใช้ในสถานการณ์อันตนัเองอืมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้คนปรับปรุงตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ความกันอ๋อแต่ต้องมีเมตตากันครับ เราจะมายกย่องในนามแห่งธรรมะฉันขอจะประนามเธออย่างนี้ไม่ไดนะ้เราก็จะต้องเป็นในนามแห่งธรรมะนะฉันขอให้เธอมีเมตตาฉันขอให้เธออยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้พูดได้อย่างนี้เป็นต้นนะรเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาเป็นผู้ที่มีมาตรฐานเดียวเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะด้วยความบริสุทธิ์บริณญสิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะ คือบางคนยกพระชนะถูกนะแต่อัตตาไม่ถูก่เงี้ยยกพระาชนะเช่นบอกว่าพระเจ้าบอกเลยมีเมตตานะนี่เหมือนกับหนังแม่ป่าค้นฟูเหมือนกับเผาอใบไม้หรือมัเหมือนกับเผาแผ่นแผ่นน้าให้เดือดอย่างเงี้ยแต่ตัวเองนี่จิตแบบว่าด่าเขานะเพราะว่าในนามแห่งเทวะเจ้าแห่งความดีอย่างเงี้ยนะซึ่งโดยอัศโดยพราชะถูกแต่โดยอัตตาไม่ถูกอย่างเงี้ยไม่ถูกการกระทําไม่ถูกต้องไม่ถูกไง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเมตตาให้กันนะคนบางทีมันก็ผิดพลาดไปได้เดี๋ยวว่าแต่บุตรชนธรรมดาเหมดแลัวพงศ์เอาพระอรหันต์เลยเอาพระอรหันต์เลยพระอรหันต์นี่ยังมีความผิดพลาดได้นะอ๋อแต่ท่านไม่ได้เจตนาจริอ๋อครับผิดศีลเจตนาหรือไม่เจตนาไม่รู้เอาสมมุติเจตนาก็ได้แต่บางทีวิเคราะห์ธรรมะไม่ลึกซึ้งเหมือนกับพระพุทธเจาหรือว่าเห็นไอ้ตรงที่มันเป็นแง่มุมที่อาจจะยังไม่ถูกอย่างเงี้ย ครับแต่ว่ามันเป็นสีเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เป็นเบื้องต้นอย่งประมาจันซึ่งผู้เช่าพูดไว้ชัดเจนว่าอผู้รู้ใดๆเนี่ยไม่ได้กล่าวความผิดพลาดของการที่ผิดอบัตินั้นๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อืมความผิดเล็กน้อยใ่อภิสมาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งใช่ปะหรือบางทีการวิเคราะห์ธรรมบุเพิ่อชนะผิดพลาดทำให้คนเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นไปได้อย่างนี้ก็มีนะอืเพราะฉะนั้นมันก็จึง จึงจะต้องมีเมตตากันคืออย่างพระอรหันต์ยังทําผิดได้เลยครับแต่เพราะฉะนั้นแค่เราบุรุชนธรรมดาเงี้ยบุรุชนถ้าเราจะจะทําผิดแล้วเนี่ยมันยิ่งจะต้องมีเมตตากันครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเมตตากันเนี่ยเอ๊ะเราจะพัฒนาแต่ละคนนี้มันดีขึ้นได้อย่างไรใช่ครับมันก็จะเหยียบย่ํากันก็จะตกต่ํากันไปเรื่อยๆใช่อืมอืมอะอย่างนี้การให้มีเมตตาเนี่ยก็ไม่มีประมาณใช่ไหมครับหมายถึงว่า หมาถึงว่ามีคนมาด่าว่าเราอยู่แทบจะทุกเมื่อเชื่อวันอย่างนี้นะครับเราก็พยายามที่จะให้ความเมตตาแผ่เมตตาไปให้เขาอันนี้ในในก็จะพูดถึงเรื่องนี้เลยด้วยที่สมมุติมีคนมาด่าว่าเราอย่างเงี้ยนะครับอุณเชาคงพูดถึงเราไม่ได้ทําผิดอย่างเงี้ยครับใช่วาจาที่เขาจะมาด่าว่าเราได้สมมุติอย่างหมอรัตงอย่างเงี้ยคตามตามมอรัตพงนนี้ดีกว่าว่าหมอรัตพงศว่าคนที่ไม่ชอบมรัตงในโลกนี้ยมีไหม มีครับหรือคนที่ไม่ชอบอาตมาเนี่ยก็มีนะอาตมาว่าเอาไม่ต้องพูดถึงเราเหรอกเอาแค่เอาพระพุทธเจ้าเลยคนคที่ไม่ชอบพระเจ้าเนี่ยมีไหมในโลกนี้ น, น่าจะมีมีแน่ น, นอนเอาสมัยในพุทธกาลยังมีเลยครับนะสมัยนี้เขาก็ยังเห็นว่าคนที่เอารูปพระพุทธเจาไปทําเป็นที่นั่งก็มีเาไปทําเป็นหมวกก็มีทําอะไรก็มีที่ที่แบบบางคนกนค็คิดว่าไม่เหมาะส ม, มนะครับครับเขาอาจจะไม่ได้ชอบพระุทธเจ้าก็ได้นะ S <S หรื อ, รอชอบในลักษณะอีกแบบหนึ่งที่ผู้เชี่ยไม่ได้สอนเปน็นต้นอย่างไรก็ตามคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันมีทั้งนั้นอ่ะจริงครับคนไม่ชอบเราก็มีคนที่ไม่ชอบคนที่เราชอบก็มีคนที่ชอบคนที่เราไม่ชอบก็มีอย่างเงี้ยนะอืมอืมใช่ครับอันนี้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอใจเขาคิดไปอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาได้ก็คือบาจาใช่ไหมใช่ครับถ้าเขาจะกล่าวหาเราคือใจก็ผูกเวรแล้วนะผูกเวรแล้วนะมีใจผูกเวรแล้วนะมีใจผูกเวรอย่างนี้คือเป็นสุขไหม ไม่เป็นสุขแน่นอนนะเป็นทุกแน่นอนใช่ไหมใช่ครับทีนี้พอใจมันข้างในมันเน่าเนี่ยมันเน่าเนี่ยมันจะต้องปส่งกลิ่นเหม็นออกมาออย่างเราเห็นมะม่วงอย่างเงี้ยที่มันเน่าในเนี่ยนะเอผิวมันยังดีอยู่แต่พอระยะเวลาผ่านไปอ้าวผิวมันเริ่มเป็นจุดดาละมันไม่ได้เน่าจากนอกมันเน่าจากข้างในเน่าข้างในมีน่าจมผู้เชี่ยวปรียบเทียบเหมือนกับภิกษุที่เก็บดาบไว้ในจีวร จีวรเนี่ยโอ้โหสวยงามมากสง่างามเดินไปเหมือนพิษุทั้งหลายแต่ข้างในจีวรในสังกตินี่มีดาบเล่มหนึ่งเยอะใกลๆพร้อมเสียบทันทีทีนี้มาพูดถึงคนที่คนที่เน่าหน่เนี่ยนะก็คือจิตใจเขามีการผูกเวรอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีความคิดไปความคิดไปในเรื่องที่ไม่ดีอย่างที่เราพูดไปถึงตอนตันหาใช่ใช่ครับเวรตันหากิเลสอวิชชาโหมาเป็นร่วน เป็นชุดเลยนะเป็นชุดเสร็จียบ้พอถูกรัดรึงอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะปากก็จะเริ่มพ่นของเป็นเหม็นเริ่มพ่นไฟออกมาอืไฟแล้วก็เหม็นด้วยนะไฟเหม็นเ่ะครับไฟเหม็นเมอย่างเช่นเขเผาขยะเผาขยะมอเตรพงจริงครับมันทั้งเหม็นมันทั้งร้อนมันทั้งวันโอ้โหมันเหมือนอยู่ในมหานรกใช่ครับมหานรกนี่ยังไม่เหม็นนะแต่มาว่าทีนี้พอพอพ่นไฟออกมาเนี่ย ก็จะมีอยู่5ลักษณะผู้ชาบอกคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงหรือเรื่องโดยการหรือโดยไม่ใช่การคือถูกเวลาหรือไม่ถูกเวลาก็ตามใช่ครับอันที่3คือพูดด้วยอ่อนหวานหรือว่าพูดด้วยคําหยาบคายอาจจะพูดภาษาในสมัยพรอคุณรามหรืออาจจะพูดภาษาในรัตนโกสินทร์แต่ว่าวาจานี่บาดลึกก็มีนะเสียแทงหรือข้อที่4ี่ก็คือพูดด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และข้อที่5คือพูดด้วยจิตเมตตาหรือจิตมีโทสะ S <S สมมุติมีคนหนึ่งมากล่าวหาหมารัตพงษ์นะบด้วยเรื่องที่ก็ไม่จริงรมันพูดก็ไม่ถูกเวลาอีกมันดันมาพูดตอนที่อยู่ในร้านอาหารคนเป็นพันอย่างเงี้ยครับหรือพูดออกวิทิวอย่างเงี้ยนะโ อ, โ, <S <S โอ้โหไม่ถูกการมากมากเลยนะแร้วพูดด้วยวาจาสมัยพราะคุณรามําแหงอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องที่พูดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยจริงๆนะแล้วมันพูดด้วยแบบลักษณะท่าทางนี่แบบมีความโกรธมากๆเลยเนี่ยนะพอเราโดนหนักขนาดนี้เลยนะ นี่คือกรณีที่หนึ่งนะ<ช>นี่กรณีหนึ่งโ oh, <laughs> อ้หนักเอ อ, <laughs> อนี่คือกรณีที่หนึ่งโดนหนักขนาะดนี้หรือกรณีที่สองนะพูดด้วยพูดที่เขาพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงที่เราเราไปทําผิดพลาดมาก็มีเพราะเราอาจจะยังเคยทําผิดพลาดอยู่ใช่ไหมจริงครับแล้วก็สองเนี่ยคือพูดในเวลาที่ถูกเวลาด้วยเช่นว่าเจอหน้าต่อหน้าการพูดกันสองต่อสองอมไม่มีใครรู้รอยู่นะแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยพูดด้วยวาจาอ่อนหวานก็มีนะ อืมครับพอเขาพูดด้วยเรื่องจริงถูกเวลามีกวาจาอ่อนหวานแล้วเรื่องนั้นก็มีประโยชน์เนื่องาเราแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นนะแล้วก็พูดด้วยด้วยวาจาที่มีจิตเมตตานะเมตตาสองกรณีนี้นะมหมอระพงตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงนะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงใช่ครับถ้าถ้าคนที่ไม่ได้มีการฝึกจิตคนที่ไม่ได้มีการฝึกจิตเนี่ยนะพอสองกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาโกรธได้ทั้งสองกรณีอืมคนที้ไม่ได้มีการฝึกจิตนะ จะโกรธได้ทั้งสองกรณีเพราะอะไรสมมติไอ้คนที่เขาพูดด้วยเรื่องไม่จริงพูดด้วยผิดเวลาแล้วก็ด้วยคําหยาบคายไม่มีประโยชน์มีโทสะเนี่ยมันสมควรโกรธอยู่ใช่ครับอันนี้ก็ก็ยกไปก่อนนะครับแต่ถ้าคนอันนี้ความเห็นของหมอรัชพงษ์นะอยู่ในสายที่โกรธเนี่ยส่วนส่วนเรื่องจริงด้วยการมีวาจาอ่อนหวานเรื่องนั้นมีประโยชน์ด้วยถ้าแก้ไขได้จะดีแล้วก็มีจิตเมตตาเนี่ยบางทีเขาพูดเรื่องนี้กับเราเนี่ยเราโกรธก็มีนะอืมครับ คือคือทั้งสองกรณีปุ๊บแล้วเราโกรธขึ้นมามีนะครับคือพู้รื่อที่ไม่ได้ฝึกจิตอ่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตจะเป็นอย่างนั้นได้ครับเข้าใจเนาะเข้าใจครับในทางตรงกันข้ามผู้ที่ฝึกจิตผู้ที่ฝึกจิตนะฝึกจิตแล้วนะเขาพูดเรื่องไม่จริงนะเอาเอาเอ่อไม่ใช่การถูกพิจารณาด้วยแล้วก็วาทชานิชนิลเนี่ยว่ายิ่งกว่าสมัยพ่อคุณรามอืมเรื่องรา่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยไม่มีประโยชน์ใดทังสิ้นเลย แล้วก็จิตเขานี่โอ้โหท่าทางนี่ควันบุ่มบุมบุมขึ้นเลยเนี่ยโศกสัตว์ในภายในคนที่ฝึกจิตมาเนี่ยก็จะจิตจะไม่แปรปรวนจะสบายใจอยู่ได้ครับเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ดีเลยครับอ่ทีนี้พออีกกรณีหนึ่งอีกอีกข้างหนึ่งสุดตรงอีกข้างหนึ่งเอ tre ์ตมอีกข้างหนึ่งก็คือผูดเรื่องจริงนะเราผิดจริงๆมีประโยชน์ถูกเวลาอ่อนหวานมีจิตเมตตาเราก็มีเมตตาอยู่ได้เราก็ยังจิตสบายอยู่ได้ จิตขอรก็จะไม่ปลาปรุนอยู่แะ้วนี่คือคนฝึกจิตจะเป็นงี้อทีนี้คนที่ไม่ฝึกจิตหรือฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างจะเป็นไงก็จะอยู่ระหว่างสองอันนี้ครับคืออาจจะไม่แบบโกรธชนิดที่ว่าเลือดขึ้นหน้าหน้าเต้นควันออกหูอย่างนี้ก็ไม่เป็นถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าข้างในนิ่งๆเป็นแบบไม่ไหวติงเป็นภูผาหินก็จะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราก็อยู่ระหว่างตรงนี้ใช่ไหมปุดปุดปุดอยู่ข้างในแต่ไม่แสดงออกงนี้ใช่ไหมหมอท่านคงเคยเห็นเป็ดใช่ไหมครับเป็ดเวลาเขาว่ายน้ําอะ อออครับคข้างบนนิ่งๆอะไรนะแตงร้านหนึ่งบวบบวบบวบบวบบวอยู่บวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบาบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบว้บวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวิดวบบนบบวบบวบบวบบวบบวบบวบบวบดวบบวบบวบบ จิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนจิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปนะเรารจะเป็นผู้มีจิต endu เกือ้อกูลประกอบด้วยเมตตานะไม่มีทโทสะ<อ>ในใดๆเลยใช่ทั้ง2กรณีเลยครับไปไหนแพอะไรอย่างนี้เพื่ออะไรแพร่ไปยังบุคคล น, นั้นแพ่ไปยังบุคคล น, นั้นอยู่ครับแล้วก็จะมีจิตเมตตาเหมือนเดิมเนี่ยแพ่ไปสัตว์โลกถึงทั่วทุกทิศทุกทางโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์ อถ้าคนนั้นเขามีความทุกขอยู่นะหมอรัชพง์ที่เขาเลเหมือนกันนะครับจริงครับคือคือถ้าเป็นอสัตบริุทธิเนี่ยคือคนไม่ดีใช่ไหมเขาก็จะพูดด้วยวาจาที่ไม่จริงนะคําพูดที่เขาได้รับฟังความข้างเดียวหรือว่าไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนอันนี้ไม่จริงแน่ล้ะนะครับหรือว่าบางทีเขาคิดว่าจริงแต่เขาไม่ได้ตรวจสอบมันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอืแง่ก็คือว่าไม่จริงใช่ไหมใช่ครับรือว่าไม่ถูกต้องตามเวลานะด้วยหยาบคายด้วยไม่มีประโยชน์ด้วยมีโทสาะในภายในด้วยนะ เขาพูดมาอย่างนี้เนี่ยเอจิตของเราก็จะต้องไม่แปรปรวนอืนะจะไม่กล่าวอาจารย์เป็นแบบก็ต้องแผ่เมตตาเขาด้วยครับแผ่เมตตาเพราะว่าจิตนั้นเขามีความทุกข์ใช่ไหมเขามีความทุกข์อยู่เราต้องเราต้องหวังว่าเขาจะให้เป็นคนดีขึ้นใช่ไหมอยู่ในธรรมะแม่ของพระเจ้าเป็นยูชนได้เนี่ยเราต้องยิ่งแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยกรณีถ้าวางอุเบกขาแบบไม่ไม่ใช้ใช้คํานี้ได้ไหมครับท่านว่าคือเราอยู่ในอุเบกขาว่าไม่ไม่จิตจะไม่ไม่ไหวติงอย่างเงี้ย ก็ได้เหมือนกันคืออุเบกขาเนี่ยเป็นลักษณะอารมณ์ที่มากระทบแล้วเราไม่สะเทือนครับพอไม่สะเทือนแล้วเนี่ยคุณจะทรงจิตไว้ยังไงก็ได้นะครับอเราจะทรงจิตไว้ยังไงก็ได้คือหมายความว่าถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ามีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยไม่กระเทือนเป็นผู้ที่นิ่งเฉยอยู่ได้นิ่งเฉยอยู่ได้หมายความว่าหมายความว่าคุณสามารถจะจับจิตคุณไปวางตรงไหนได้ตรงนี้เราเคยพูดไปแล้วว่าสมมติกรณีชั้น4ี่อย่างเงี้ยอุเบกขาแล้วคุณจะเจริญเมตตาในชันสได้ไหม ได้ครับคำตอบคือได้เพราะว่า<ม>เราสามารถจับจิตที่มีกําลังตรงนั้นเนี่ยไปวาไงไว้ตรงจุดที่เป็นเมตตาได้ครับอ่าเพราะนัะ้นคืออุเบกขาคือการที่ไม่ไหวติงคือหมายความว่ามีอะไรมากระทบแล้วกระทบแต่ไม่กระเทื น, นเฉยอยอยู่ได้อ่ามีอะไรมากระทบแล้วนิ่งเฉอยอยู่ได้พอนึ่งเฉยอยู่ได้แล้วเราก็สามารถเจริญจิตเลือกจิตที่จะเป็นยังไงได้นะในกรณีนี้ก็คือว่าเอาให้แผ่เมตตาไปยังบุคคล น, นั้นอยู่ เราก็ใช้คนนี้เป็นอารมณ์ในการที่จะแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทุกที่ทุกทางไม่ง่ายนะครับท่านตอนเจอจริงๆเนี่ยโอเอานี้เป็นอารมณ์จะแผ่เมตตาโอ้โหนี่ยากไต้องฝึกจิตที่ฝึกดีแล้วจริงๆครับอันนี้เราพูดถึง extreme ข้างนี้นะว่าที่ไม่จริงนะถูกด่าว่าไม่มีประโยชน์ด้วยนะเอาเราคิดถึงสุดต่วอีกข้างเนึ่งอ่ะ คนเขาพูดวาจาที่จริงนั้นเราผิดจริงๆนะแล้วเราก็ถูกเวลาด้วยนะอ่อนหวานด้วยมีประโยชน์ด้วยมีจิตเมตตาด้วยอ่ะเราก็แผ่เมตตาให้เขาได้อืด้วยจิตที่เอนดูก็คุณบางคนฟังง่ายนะณะฟังง่ายนะแต่ทํายากคือหมายความว่าไอ้ตรงขาเนี่ยขาที่เรียกว่าเรื่องจริงเรื่องถูกการอ่อนหวานมีประโยชน์มีเมตตาเนี่ยนะเราคิดว่าเราแผ่เมตตาให้เขาง่ายเนี่ยบางทีเนี่ยจิตเราหลงละเริงไปตามสิ่งที่เขาพูด อแล้วเราก็เพลินไปในเพลินไปแล้วก็แผลไม่ตาด้วยไม่มีกําลังอยู่ดีอ๋อจิตไม่สงบไม่เป็นหนึ่งเรารถูกเคี้ยวถูกกรมเคี้ยวกินอยู่เราก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยจริงครับเนาะเขามาพูดพูดอย่างเงี้ยแหมพูดยกย่องเรามากเลยเราถูกกามเคี้ยวกินอยู่เราก็ไม่รู้ตัวมันก็จะไม่ถูกไงใช่ครับตัวลอยเลยช่ตรงนี้ที่หมอรุ่งพูดอย่างมันไม่ง่ายเนี่ยมาถามอย่างนี้สมมติรัฐบาลก็บอกว่าครับ เขาคิดคนเครื่องมือชนิดหนึ่งได้ครับนะที่สามารถแก้ปัญนาน้ําท่วมได้ด้วยการเอาเครื่องมือชนิดนี้สามารถทําน้ํานี้ให้มันระเหิดขึ้นใบกายเป็นไอได้ทันดีอืมทั้งแม่น้ําเจ้าพระยานี่มันไหลกันมาพุ่มๆอยู่ตอนเนี้ยท่วมไปแล้วไม่รู้กี่จังหวัดเนี่ยเอาเครื่องมือนี้มาส่องปุ๊บเนี่ยเอาเขาคิดแว่นขยายขึ้นมาชนิดหนึ่งส่องไปที่น้ําปุ๊บน้ําจะระเหิดกลายเป็นไอน้ําจะลดลงไปภายในสามวันหมอรัฐพงว่ามันจะมีไหม พผมว่าไม่มีครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ครับเป็นโฆษณาชวนเชื่อเหมือนบางคนเขาพูดบอกว่าเอาล่ะฉันจะเอาไฟไม่ขีดนี่แหละมาเผาให้แม่น้ําเจักรยาเดือดพร่านร้อนจัดขึ้นมานีมให้ละเหย้ยไม่มีทางคุณไม่มีทางทําได้คุณไม่มีทางทําได้เลยอืมต่อให้คุณเอาอะไรดีละ่ะเอาป่าทั้งป่าตัดมาเผาเป็นไฟแล้วเอาไปถมในน้ําเจักรยามันก็ไม่ได้ดี น้ามันก็ไหลไปทางอื่นน่ะคุณไม่มีทางที่จะทำให้มันระเหยกลายเป็นไอได้ครับมันเกินความสามารถของมนุษย์นะครับคือเขาทําไม่ได้ทําไม่ได้ครับแค่นั้นเองถ้าเขาพยายามทําจะมีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็เสียเปล่าเหน็ดเหนื่อยเสียเปล่าเหมือนกับอะไรอีกเหมือนกับคนเอาบุ้งกีกับเสียมานะจอบมานี่จะขุดแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินอืมโอ้ยไม่ต้องไปเอาแผ่นดินหรอกเอาแค่เขาใหญ่เอาคุณไปขุดเขาใหญ่ไม่ให้เป็นเขาใหญ่คุณทําได้ไหมครับไม่มีทาง เอารถแมคโครมามันก็ยังไม่ได้เลยอ่ใช่ครับไม่ไม่เขาใหญ่นี่ข้าบเกี่ยวสี่จังหวัดนะใช่ครับอืมสี่จังหวัดมันอาจจะได้ก็ได้เพราะเขาขุดเหมืองเนี่ยบางทีขุดลงไปลึกๆมากเลยนะแต่จะขุดพื้นแผ่นดินนี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินมันไม่มีทางเลยมันก็ยังต้องมีใช่ครับอืมเนาะคือคือเราจะต้องทําจิตให้เหมือนกับแผ่นดินเราต้องทําจิตให้เหมือนกับน้ําอย่างเงี้ยให้แบบกว้างใหญ่ไพศาลหนักแน่นใช่ ถ้าเรา<ม>เราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่กระเตือนจริงครับเราจะสามารถที่จะมีเมตตาได้สามารถที่จะกําหนดจิตให้มีเมตตาพยาแบงบุคคลนั้นได้ไม่ว่ากรณีใดๆกงสิ่ง<ม>อย่างอย่างน้ําในแม่น้ําเนี่ยจะให้มันท่วมก็ได้คือหมายความว่า<ม>คุณจะไปทํานาก็ได้คุณจะไปกินดื่มก็ได้คุณจะไปทําใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับใช่ครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ า, าเวลาที่มีใครเข้ามาด่าว่าเรา หรือว่าพูดด้วยเรื่องจริงเรื่โดยโดยถูกเวลาอ่อนบานมีประโยชน์มีจิตเมตตาหรือว่าพูดด้วยเรื่องไม่จริงไม่ใช่ถูกเวลาด้วยหยาบคายไม่มีประโยชน์แล้วก็มีโทสะด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเนี่ยก็ต้องมีจิตเมตตาไม่แปรปรวนนะจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจ ะ, ะไม่กล่าวอาจารย์ <pacing. S 2> เป็นบาปกล่าววาจาเป็นบาปนี่นะอันนี้จะสอดคล้องกับคําถามของคุณปริณิตีปรีว่าจวาจาเนี่ยหมายถึงคิดในใจด้วยคําพูดก็ด้วยวาจาเหมือนกันนะ คือคือบางทีเราไม่ได้พูดออกมาใช่ไหมคิดในใจคิดในใจหรือเขียนบันทึกเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวาจานะเป็นวจีเอาเป็นวจีก็แล้วกันครับหรืออันนี้ในความเห็นอาตมานะนี่ความเห็นอาตมานะอันนี้อาตมายังไม่ได้ทำวิจัยนะว่าว่าไอ้บทเพียนชนะที่คิดอยู่ในใจเนี่ยก่อนที่เราจะกําหนดคาพูดเนี่ยมันเป็นวจีนะอันนี้ต้องไปทําวิจัยเพิ่มเติมแต่ในความเห็นของเราเราคิดว่าใช่อือันนี้เปิดช่องไว้ให้โนมโนหรือวจีใช่ไหมครับอันนี้อาตมาคิดว่าเป็นวจี มโนเนี่ยบางทีเราคิดโดยที่ไม่ได้ใช้คําพูดก็มีอ๋อคิดเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นวาจีซึ่งซึ่งภาษาทางการแสดงเนี่ยเขาว่า internal dialogue ก็บางทีพระเอกคิดอะไรเกี่ยวกับนางเอกอย่างเงี้ยก็จะอยูในใจโดยที่ไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าในหนังเขาเป็นคําพูดออกมาเป็นด้วยเสียงอีกอันหนึ่งอือย่างเงี้นั่นเขาเรียก internal dialogue เป็นคําความคิดที่เป็นคําพูด ดังนความคิดที่เป็นคำพูดคุณเขียนออกมาคุณส่งไปในทวิต t ตอรคุณอัปเดตขึ้น Facebook พวกนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นวัจีคำเส้นอืมจริงครับอนนในความเห็นอาตมานะครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่ามันก็คือเหมือนแทนคําพูดนั่น<ๆ>แหละเพราะนั้นที่ที่ชาติต่าต่างวจีดับไปอันนี้มันก็จะลงล็อกด้วยด้วยคําตรงนี้นะทีนี้ว่าเราต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมตรงนี้ก็ขอยกไว้ก่อนนะจำเลยจะไล่ไปถึงประเด็นที่ว่ามีไม่กล่าววาจาเป็นบาปตรงเนี้ย แล้วคือจิตเนี่ยก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นด้วยนะจิตไม่แปรปรวนด้วยนะแล้วก็มีจิตที่มีเมตตาประกอบอยู่ในภายในด้วยอนะแผ่ไปไหนแผ่ไปยังบุคคลนั้นคมันยิ่งเกลียดเมากเท่าไหร่เรายิ่งแผ่ไปมากนั้นมันยิ่งด่าเรามากเท่าไหร่เรายิ่งให้มันมากเท่านั้นอืมอืมอมขัดฟันพูดเลยเนี่ยครับเอ๊ะทาได้ไหมเระขัดฟันพูดขนาดนี้อืมทำได้คได้แต่เราต้องฝึกอย่างดีเลยใช่ครับเหมือนให้ทานนะหมอแล้วผง สมมุติเราเราให้เราให้เมตตาอย่างเงี้เป็นต้นนะ ค, คือให้เมตถาสมมติเราให้ทานสามมุติหมอรัพงศ์ให้เงินขอาทานอย่างเงี้ยให้เงินขอาทานไปเนี่ยคือเราเคยพูดเรื่องนี้อยู่ว่ารรสมมติให้เขาไปเขาไปทําไม้ดีใช่ไหมไปซื้อใหญ่สติเป็นต้นอย่างเงี้ยนะอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือ<ช>คเขาไปใช้จ<ช>่ายไม่ดีละเขาไปยึดถือในความเป็นตัวของเขาอย่างงี้สิ่งที่เราให้เขาไปเนี่ยกลับกลายเป็นปัญหาของเขาอันนี้ชื่อว่าให้ที่เให้ทานให้ที่ดีขึ้นมาอีกในสมมุติเราให้กิเลสไปกับโลกอย่างเงี้ย เอาอความชั่ว ช, ช้าเราเความกรดเราให้เราไม่เอาไว้ในใจเราให้<ร>าถามว่าให้ตรงนี้ไปเนี่ยให้ใครใครมารับไม่มีคนรับนะการ <laughs> ให้กับโลกเข้าไปเพราะฉะนั้นไม่มีคนรับตรงนี้เนี่ยหมายความว่ามันไม่มีใครจะต้องเอาตรงนี้ไปเป็นทุกของเขาอีกอมสมมติเราให้เงินสักหมื่นบาทอย่างเงี้ยครับนะตรงคนที่เขารับเงินไปเนี่ยเขาต้องเอาเงินไปทีป่บริหารจัดการไปทํานั่นทนํานี่ถ้าเขาทําชั่วยิ่งชั่วเลยถ้าเขาไปทําดีก็ดีไปแต่เขาเป็นภาระที่เขาจะต้องบริหารจัดการคิดคนขึ้นมา ใช่ไหมอันนี้เป็นภาระนะ oh. แต่ให้กิเลสออกไปให้ ค, ความกรดออกไปให้เมตตาไปมันมีแต่คนจะได้ประโยชน์หมอโนบงนึกออกเนาะ ค, คือส ถ, ถ้าเราให้สิ่งที่เป็นสิ่งของจับต้องได้เนี่ยนะใช่ครับมันมีความเสี่ยงที่ว่าเขาจะไปยึดหรือเขาจะไปใช้ไม่ถูกหรือถ้าเขาใช้ถูกเขาจะเป็นภาระในการเอาไปใช้ uh huh. หรือในการรับ ในขณะที่เราให้สิ่งที่มันไม่ต้องมีใครรับมามีเป็นเจ้าของอีกนีไม่ต้องมีใครมาถืออัตตาในนี้อีกโอ้นี่ยิ่งดีเลยครับเช่นให้ความเมตตาอย่างเงี้ยถูกต้องครับให้ความโกรธออกไปให้เมตตาไปนะให้อุเบกขาไปนะให้ความชั่วชัมันออกไปอย่างยังย่งให้ความโกรธนี่หมายถึงว่าทิ้งออกไปใช่ไม่ต้องมีคนรับใช่ไหมเหมือนเราสละสละความโกรธออกไปใช่ไม่ต้องยึดถือไม่ในใจไม่เอาไว้ ครับอ๋อ oh. ก็เป็นด้วยกําลังเดียวกันกับที่เราแผ่เมตตาใช่ครับคือหมายความว่าถ้าเราจะแบบว่าเอาความส่งความกรดให้เขามันส่งไม่ได้นะครับคือหมาย ว, ามว่าเราก็ยิ่งจะต้องว่าเราต้องมีความกรดแล้วถึงจะให้เขามีความกรดได้แสดงว่าคุณยังเก็บความกรดอยู่ไม่ใช่อืม mm. แต่เราให้ความกรดออกไปเพราะฉนั้นเราจึงไม่มีแต่ให้เมตตาเนี่ยเราจะต้องมีเมตตาเราถึงส่งกันเมตตาให้เขาได้ถูกครับ มันมันมันก็จะมีความต่างกันตรงนี้แต่ว่าไอ้กาลังของจิตมันคืออันเดียวกันอื hey, ด้านด้าน อ, อากุศลกับด้านอากุศลหมอท่างเข้าใจว่าไงอธิบายให้นะมาฟังหน่อยสิเอเข้าใจว่าคือเมตตาเนี่ยเราเราจะต้องเจริญขึ้นในใจก่อนเราถึงจะแผ่ให้ผู้อื่นได้อแต่ว่าความโกรธถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยก็ให้เราละทิ้งไปเลยอย่ามายึดถืออยู่ในใจทิ้งไปซะอืมก็คือให้เหมือนกันนะให้เหมือนกันนะครับให้กับ Şey> อะไรก็ได้ม hmm. ันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นก้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอให้ออกไปอ่ะให้มันออกไปครับนะเช่นเดียวกันเมตตาเราก็ให้ออกไปครับออให้ออกไปตรงนี้คือมอบให้เขาครับอแผ่ให้คนนี้แต่เราจะแผ่กระแสความกรุ่ยให้คนนี้เราก็ร้อนของเราเองจริงก็ก็ไม่ดีไม่ถูกเราก็คนละเพราะฉะนั้นการละก็ตามการทําให้เกิดขึ้นก็ตามมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ใช้กําลังจิตอันเดียวกันที่จะมาพูดถึงตรงนี้นะ คือใช้กําลังจิตอันเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะละเพื่อที่จะไม่เจริญละอะไรละความโกรธเนเพื่อที่จะไม่เจริญเช่งไรความเมตตาครับจิตเราก็จะเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพยานะเขาจะเอาบุ้งกีเอาแมโครมาตักให้เป็นไม่ไม่เป็นดินไม่ได้ไม่หมดใช่ครับหรือถ้าเขารัฐบาลมีแผนการที่จะเอาปรับทิศทางของแม่น้าเจ้าพรยาให้มันไหลขึ้นเหนือ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้ครับมันมันไม่ได้เช่นเดียวกันจิตของคนที่เป็นอย่างนี้นะให้มีแต่ให้นะครับให้ละความชั่วออกไปให้เมตตาให้คุณ้ให้ทุกคนอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะทําให้กระเทือนได้อืมเหมือนอย่างเราจะเอาสีเนี่ยไปสาดให้อากาศมันเปื้อน่ครับมางคนว่างอไหมใช่อะมันไม่ค่ยฉลาดเท่าไหร่นะดูไร้สาระนะครับอ ชเดียวกันเราทำจิตให้เป็นอย่างนี้เหมือนอากาศ ม, มันไม่มีอะไรที่จะมันมากระเทือนใจคนที่เขาถูกด่าได้หรอกถ้าจิตเขาเป็นอย่างนั้นนะจริงครับจริงครับโอ oh. คือหมายความว่ า, าถ้าคนทั้งโลกเขาเขายกย่อ ง, องเราดีแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีนะถ้าเราเป็นคนไม่ดีต่อให้คนทั้งโลกเขายกย่อ ง, องเราว่าดีเนี่ยเราก็เป็นคนดีไปไม่ได้จริงครับ หรือถ้าเราถ้าเราเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยนะเราเป็นคนรักษาศีลเราเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยต่อให้ทั้งโลกเขาด่าว่าเราว่าเราไม่ดีชั่วเราก็ยังดีอยู่นั่นเองมาแล้วทุกคมเหมือนราคาทองหรือราคาเพชรเนี่ยนะใช่ครับมันขึ้นลงตามตลาดคือตามความต้องการของคนใช่ครับดิมาซับไลทครับแต่ทองเนี่ยก็มีคุณค่าในตัวมันอยู่ตลอดเวลาครับมันไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเพชรเนี่ย ก็มีอัตราการสะท้อนแสงและความแข็งที่คงที่อยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมครับคุณสมบัติไม่ได้เปลี่ยนลงใช่ครับอืมเราเคยคุยเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของนอนกับเทวดาไปใช่ครับว่าถ้าต่อให้โหวตว่านอนดีกว่าหรือว่าเทวดาดีกว่าคุณเอานอนมาหมดสังสารวัตนี้เอาเทวดามาหมดสังสารวัตนี้นอนก็ชนะอยู่ดีใช่ครับแต่ว่าภพของนอนไม่มีทางดีกว่าเทวดาไปได้ต่อให้โหวตกันก็ตามครับใช่ไหมเพราะว่า ก็หนอนชนะคุ ณ, คณเทเวลาคุณต้องมาอยู่ในฐานส้วมนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้หมอแล้วพงครั บ, รบเราให้เลยเราให้หมดเลยให้ชิ้นนี้ว่าไม่ต้องมีใครมาเป็นเจ้าของสิ่งนี้อีกครับอืมให้เลยยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ครับยิง่งให้ยิ่งได้จริงๆครับเพะฉะนตรงนี้นะก็จะตอบคำถามของคุณปฏิทิตรที่ถามครับ เรื่องของมิจฉาวาจาอ่ามิจฉาวาจาว่ามันรวมถึงเรื่องของการ Twitter ด้วย Facebook ด้ว ย, ยคิดในใจด้วยแต่ว่าอันนี้ยังจะต้องมีการขุดคุยเพิ่มเติมน ะ, ะยังเปิดประเด็นเอาไวา้นะว่ามันมันเป็นค ว, วามเห็นของอาตมาอย่างเงี้นะ ค, คือเรายังไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดแต่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยการสอดคล้องกับธรรมะของพระเจ้า ตรงนี้ตอบคําถามของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติเลยที่ว่าเอ๊ะเราจะรักความไม่พอใจอยังไงตรงนี้เนี่ยที่เราพูดกันไปว่าทําจิตให้เหมือนกับดินนะหรือว่าถ้าคุณจะเอาทําจิตให้เหมือนอากาศเอาสีมาสาอากาศไม่เปียกนะหรื อ, อทําจิตให้เหมือนกับ น, น้ําเอาไฟมาเผ า, าเอาน้ำไม่เดือดนะทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่นอกฟอกนวดแล้วอย่างดีเอาไม้มาตีไม่มีเสียงดังนะแต่ถามว่าเราจะทำจิตอย่กันได้ยังไงอ่ะโอ้โห ม, มันสุดยอดเลยนะสุดยอดครับจริงสุดยอดเลยจิตของเราจะไม่แปรปรวนเนี่ยวิฉันทําไม่เห็นได้เลย มันมีวิธีหนึ่งที่ทิดว่าเวิร์กนะเป็นตัวชนะด้วยนั่นคือลองคิดว่าเราตายไปแล้วเราทงเหมือนกับมรณสติคตายแล้วสมมติสมมุตินะสมมติว่าเราเป็นมะเร็งขั้นสี่กํำไรจะตายกระดูกสันหลังนี่ถูกกินไปเยอะละแล้วก็น้ําเหลืองอะไรนี้เละหมดละเละแล้วแล้วก็หมอบอกอยู่ได้เดือนหนึ่งในช่วงเดือนหนึ่งนี้ยมีคนมาด่าเราครับเธอทําไมช่วงเนี้ย ทำไมเธอทำอะไรอย่างนี้ด้วยความวาจาที่ไม่จริงด้วยนะไม่ถูกเวลาด้วยกูป่วยอยู่มึงด่ากูทำไมวะมแล้วหยาบคายด้วยนะภาษาพ่อคุณรังก็แหม่ภาษาพ่อคุณแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยนะฉันป่วยอยู่แทนที่เจอแม่มาใจมาด่ากันอีกนะแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยถามว่าเราจะโกรธไหมจะตายอยู่อีกเดือนหนึ่งเนี่ยก็ไม่สมควรโกรธเราไม่โกรธเลยเอาถ้าไปถามคนมาเรขั้นสี่จิตทั้งจิตของคุณเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยกูจะรักษาโลกกูยังไงดีวะมันป่วยขนาดนี้ฉันจะจะแฮนเดอร์ไอไอเวทนานี้ยังไงวะ ครับที่มันเจ็บปวดมากกว่าคําพูดครับเขามาที่โรงพยาบาลชี้หน้าด่าเราเลยนะเราก็นิ่งอยู่ะเราก็จะไปสนแลยคนมันเออแล้วนะมา็งขั้นสี่นะครับเออขึ้นเราจะตายอยู่แล้วครับหรือเราคิดว่าเราตายไปแล้วเลยก็ได้อืมเราก็จะไม่โกรธอ่ะอืมตายไปแล้วตายไปแล้วเราตายไปแล้วเราตายอยู่ทุกนาทีครับเพราะนั้นลูกศรแรงต่างที่มันจะมาทิ่มแทงผ่านทางวาจาด้วยห้าอย่างนี้เนี่ยนะ หรือว่าผ่านทางเดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์ t วิ t เตอร์เฟซ o ุ๊กอ้อมอ้อมเฉียงเสียงลูกศรมันโค้งได้ทั้งหากยิงอ้อมอ้อมาโอ้โหมันไม่ได้พูดชื่อเราตรงแต่มันโดนเว้ยโดนอ้าวชื่อยอดตรงมันมันจะไม่กระตือนใจเราเราตายไปแล้วเหรอพงครับให้คิดว่าเราตายไปแล้วหรือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตายละใช่เราไม่แน่ถ้าพี่พุนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่า เออนถามว่าวันนี้เราทําอะไรเพื่อที่จะให้คนที่ระลึกถึงเรายังระลึกถึงด้วยจิตที่ไปกุศลได้ครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าเคยพูดถึงภิกษุที่ดีเนี่ยนะครับเอ่อถ้าคนในหมู่บ้านนั้นหรือว่าใครที่เคยรู้จักเรามา่ก่อนนึกถึงเรานะตอนนั้นเนี่ยจิตก็เป็นกุศลทันทีอ๋อครับสมมติคนแถวบางซื่อเนี่ยจะมานึกถึงอาตมาอาตมาอยู่บางซื่อใช่ไหมครับอ้เด็กชาย ภบูนี่<ห>สมัยก่อนนึกถึงตอนนี้ก็เป็นพระแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นพระด้วยซ้ํำนึกถึงว่าเด็กใช้คนนี้เคยมาซื้อโอเล้งที่นี่แล้ว<ม>โอ้มันจะเป็นยังไงต้องจิตเขาจะเป็นกุศลตันตีพุทเจ้าบอกครับซื้อไปให้พ่อแบบดูแลพ่ออย่างนี้เออเป็นกุศลเขาจิตเขาจะเป็นกุศลตันตีอืมเพราะฉะนั้นเราทาดีไว้ดีกว่าไม่ไม่สูญสลายใช่ไหมครับโแน่นอนทั้งตัวเองก็ได้คนอื่นก็ได้ครับนะแล้วคนอื่นที่เอต่อให้ เขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเราทำดีไว้เนี่ยเรามีเมตตาให้เขาเนี่ยเขาจะเป็นคนดีก้นมาได้สักวันหนึ่งศัตรูเนี่ยศัตรูเนี่ยจะเปลี่ยนกลายเป็นมิตรหมอท่านองด้วยสิ่งนี้ให้ให้พักเพียนในการทำความดีใช่ไหมครับใช่มันจะไม่ไม่สูญสลายอันนี้สรงต่างต่างครับครับเพราะว่าจริงจริงปัจจุบันคนไม่ค่อยอยากจะทำดีเห็นผลช้าครับ คำชั่วสิเห็นผลเร็วมาแล้วพงษ์ใช่ครับคำช่วยเห็นผลเร็วอืร้อนในใจทันทีครับแน่นอนแล้วทําดีเนี่ยมันก็ได้ผลนะเดี๋ยวนั้นเลยอนะตรงที่ว่าเราจิตใจเราสบายเอาเราเปรียบเทียบอย่างนี้ครนะระหว่างคนที่พูดไม่จริงนี่ยไม่ถูกเวลายาอาจารยหยาบคายยิ่งกว่าสมัยพ่อคุณรามไม่มีประโยชน์มีโทษสารในภายไหนนี่กรณีหนึ่งกับคนที่พูดเรื่องจริงมีถูกเวลาอ่อนหวานเรื่องมีประโยชน์มีจิตเมตตา สองคนนี้จิตใจเป็นยังไงโอ้ต่างกันครับต่างกันมากเลยสองคนนี้จิตใจต่างกันมากเลยอืนะเพราะฉะนั้นถามว่าเขามีความสุขกับความทุกข์ณเดียวนั้นเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวร้ายคนอื่นเนี่ยในใจเขามีแต่ความทุกข์แน่นอนโอ้ยนะแน่นอนครับเนะส่วนคนที่กล่าวเรื่องจริงถูกการอ่อนหวานมีประโยชน์มีจิตเมตตาใชจเขามีความสุขในตอนนั้นออืเห็นได้ทันทีจริงครับจริงันะอันนี้ก็คือ เรียกว่าสวรรค์ในอกนโลกในใจใช่ไหมครับใช่คำพูดทางโลกครับเพราะฉะนั้นคนไม่ชอบมารุพงศ์ก็มีอยู่คนไม่ชอบอริยมาก็มีอยู่คนที่ไม่ชอบพระเจ้าก็มีอยู่ครับเราทำไงคนเหล่านี้เราก็แผ่เมตตาครับจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจามันแบบเราจะเป็นผู้มีจิตอินดูก็คุณแผ่ไปยังบุคคนนั้นอยู่ครับอย่างนี้นะอืมครับต้องฝึกให้ได้นะครับตอทําได้ไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากเหมือนเราตายไปแล้วครับอืม ดั้นก็ตอบคําถามของคุณปานิธิด้วยครับตอบคำถามของคุณผู้ปฏิบัติด้วยครับก็มีคำถามหนึ่งของคุณวิชยะครับของคุณวิชยะเกี่ยวกับการภาวนาครับท่านอืมคือข้อแรกเนี่ยคืออาการทางกายที่เกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายกับปิตินะครับแต่ไม่ใช่ความยินดีที่รู้สึกได้ทั่วทั้งกายนั้นเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงเพราะจากการนั่งสมาธิมากๆหรือ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณขันโอ้เวลาเรานั่งสมาธิมากๆวิญญาณขันเราต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับก็ใช่ไหมวิญญาณขันคือตัววิญญาณขันเนี่ยคือคือผู้ที่เข้าไปรับรู้มันก็จะไปรับรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการไปก้าลงในความคิดนั้นนี้นอนใช่ไหมทีนี้สมาธิที่มีลักษณะคล้ายปีติเนี่ยก็คือก็คงจะหมายถึงปีติละมั้งเนาะครับน่าจะสมมติว่าปีติคือเอาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความสบายใจธรรมดาก็ได้ แล้วรู้สึกไปทั่วทั้งกายนี่ยพระเจ้าพูดถึงเหตุปลารบเหตุอะไรเขามีวิตกวิจาร์รเพราะละอกุศนธรรมทั้งหลายาการทั้งหลายละายอกุสนธรรมทั้งหลายละไปนะจึงมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นมีอยู่อเพราะฉะนั้นความาวิเวกนั้นเนี่ยอคือความวิเวกที่ยังมีวิตกวิจารณจะมีความคิดนึกนั่นนี่น่นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นอกุศลนะ ครับ เ, เรื่องที่ไม่เป็นอกุศลเป็นเรื่องที่เป็นกุศลไหนแล้วเกิดปีติขึ้นทั่วทั้งตัวอนั่นคือชั้นที่หนึ่งชั้นหนึ่ง<ช>ครับใช่ไห ม, ม, มทีนี้คุณวิเชยะก็ถามต่ออีกว่าแล้วจะพัฒนาจากชั้นหนึ่งขึ้นไปสู่ชั้นสองเนี่ยต้องทําอย่างไรครับโอ้พรพุทธเจ้าตรัสไปแล้วนะเราทําชั้นหนึ่งให้ชํานาญทําชั้นหนึ่งให้ชํานาญคุณเข้าออกให้ชํานาญเข้าออกดํารงอยู่เข้าออกดํารงอยู่ เห็นแต่ละง่มุมตรงนี้คือวิตกตรงนี้คือวิจารในมีสี่สัมชัญธ์ยัญหนดเวลาได้เข้าเท่าไหร่อยู่เท่าไหร่ออกยังไงเข้าตอนไหนมีรายละเอียดอะไรคุณรู้หมดปับปบปับปับปา บ, ปบชนานล้วนะครับคุณชนานาแล้วคุณจะเห็นโทษของวิตกวิจารณ์อพอคุณเห็นโทษของวิตกวิจารณโอ้ยความคิดนี่มันต่อให้เรื่องดีๆมันก็แวบๆไปเรื่องที่ไม่ดีมีอ๋อใช่ครับบางคนนั่งสมาธิไปจนเห็นต้นของความคิดคือเราไพยายามจะคิดเรื่องดีๆใช่ไหมมีฝรั่งคนหนึ่งก็มาพูดกับมา เข<ๆ>าบอกว่าเอ้ยเราต้องคิดเรื่องบวกสิเราต้องคิดเรื่องดีสิเราต้องคิดสร้างสรรนั่นนี่สิครับอ่าในขณะที่คนที่มีคนหนึ่งมาพูดกับเราเหมือนกันโอ้ความคิดเนี่ยนะมันไม่ดีมันมากวนเอ้ยสองคนนี้เขาเห็นถูกถูกกันไหม ม, มันก็เห็นตรงกันข้ามเในคนมือบอก <คน S 2> ต้องคิดดีๆอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องคิดแต่คิดไม่ดีครับนี่แหละทําคือสองคนนี้สภาวะจิตไม่เหมือนกันไงแต่เพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งละกามได้ เขาก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งที่ว่าเอองั้นต้องคิดดีทําดีนะแล้วก็ อ, อพูดดีมีสิ่งวิจกวิชานีน่ดีเรื่องดีๆมีอืแต่เขายังไม่เห็นตอนที่ว่าเอ้มันไปคิดเรื่องไม่ดีก็มีไว้นี่เป็นอาพาธของวิจกวิชานเป็นอาพาธของฌานที่หนึ่งจนกระทั่งต่อเมื่อเขาเห็นโทษของวิจตวิชานหมดแล้ออวพงอ่าความคิดนี่มันพาเราไปไม่ดีก็มีนะต่อให้เรารพยามที่คิดเรื่องดีก็ตามเอางี้แล้วกันว่าเราไม่คิดหมดเลยไม่คิดเลยไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลย เพราะเราเห็นว่ามันไม่ดีปุ๊บพอคุณคลายได้ปุ๊บนั่นน่ะชั้นสองมาละชั้นสองเลยละวิตกวิจารณ์ได้อันนั้นเราจะทําให้เราเป็นผู้ที่เห็นโทษของวิตกวิจารณ์เห็นประโยชน์ของความที่ไม่มีวิตกวิจารณ์คือไม่ต้องมีคิดอะไรเงอืคิดนี่หมายถึงคิดด้วยอความคิดรูปภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเลกภาพหรือว่าคิดเป็นคําพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าใช่คือคิดคําพูดเนี่ยมันมันดับไปตั้งแต่อ๋อชั้นที่หนึ่งแล้วครับอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นความคิดเช่นว่า เป็นรูปภาพเป็นสีเป็นเสียงความคิดพวกนี้จะไม่มีครับแล้วก็เป็นความสิ่งที่ไม่มีวิศวิจารณ์ก็จะเป็นฌานที่2เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโทษของฌานที่1นึ่นะทำให้มากซึ่งเห็นประโยชน์ให้มากซึ่งฌานที่2 อ, อันเนี้ยเป็นหลักของบุรุษชาติที่พุทเจ้าเป็นผู้ที่ไต่ขึ้นเปรียบเสมือนกับแม่โคภูเขาต้องการกินน้ํากินหญ้านในภูเขาลูกใหม่นะก็พยายามที่จะตั้งตรงนี้ให้ดีคือถ้าโคไม่ฉลาดเนี่ยนะโคงโง่เนี่ย <biases. S 1> ตรงที่ตัวเองยืนมาเป็นภูเขาหินเนี่ยมันก็กึ๊กกักกึกกักก็มีใช่ไหมตัวเองยืนไม่ดีแล้วจะก้าวขาต่อไปเนี่ยก้าวขาต่อไปตรงนั้นมันก็ไม่ไ ม, ไม่มั่นคงจะก้าว ก, กับก็ไม่ได้ก็คว่ําเลยล้มตกเขาอ้ไดในขณะที่โคฉลาดนะตัวเองยืนอยู่ที่มั่นแล้วดีแล้วนะจะก้าวไปนะก็ก้กาวอย่างมั่นคงแล้วก็ไปที่ที่กินหะญ้าที่ไม่เคยได้กินดื่มน้ําที่ไม่เคยได้ดื่มได้อืครับ เป็นวิธีวิธีที่จะเห็นโทษต้องทําไงมาแล้พงก็เห็นการต้องทํความเสื่อมต้องทํำบ่อยๆคุณจะเห็นความเสื่อมได้ยังไงเอต้องทำบ่อยๆต้องทำบ่อยๆคุณทําบ่อยๆแล้วคุณจะเห็นแง่มุมว่าอันนี้ไม่ดีอย่างงี้อันนี้ดีอย่างงี้คุณจะเห็นบ่อยๆทําบ่อยๆในการทําบ่อยๆทาซ้ำๆทําย้ํำๆนี่แหละทํามันเข้าไปทำให้บ่อยทําให้มากทําให้นานทําให้เจริญครับนันนี่แหละจะทําให้เราฉลาดขึ้นครับอืโดยทําให้โดยพิสดาร คุณนึ่งเขาทำวันลกี่ครั้งเราทําากรเติมศูนย์เข้าไปตัวเป็นคูณสิบเท่าได้ไหมมากกว่าออย่างนี้นะครับเราจะฉลาดในชาติที่หนึ่งเห็นโทษของวิตรวิจารณ์ฉลาดในชาติที่สองเห็นประโยชน์ของชาติที่สองเราจะวับเข้าไปได้ครับเราก็จะทําให้ชํานาญด้วยนะเข้าออกเปลี่ยนระดับได้เอ้ยตรงไหนมันดับไปแล้วตรงไหนมันเข้านี่คือพูดถึงเรื่องที่ผู้พูดเนี่ยนะเป็นความรู้ของปริชานะหมอละพงษ โอที่ท่านเป็นความรู้ของเราเรียนเราจําเราพูดความรู้ของพระราชาเหลนั้นนียยังไม่ใช่วินยุชนเรายังไม่ใช่วินยุชนเราจะเป็นวินยุชนก็ต่อเมื่อเราทําได้ทําได้เองใช่เราทําได้เองเราเอาความรู้ของพระราชาเหลนั้นมารุ่นในใจของเราไม่ได้เปิดตาดูนะบางคนนั่งหลับตาเราถูงเห็นอะไรเห็นหนังตาเอ้ามันนั่งหลับตามันต้องเห็นตามที่เป็นจริงสิวะไม่ใช่เห็นหนังตา เราต้องเห็นเห็นอะไรเห็นโทษของสิ่งที่ควรเห็นว่าเป็นโทษเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ควรเห็นว่าเป็นประโยชน์เห็นละอกุศลเห็นสิ่งที่เป็นกุศลอย่างเงี้ยคือเห็นด้วยตาไหนอืมครับเห็นตรงนี้ก็คือรู้นั่นเองครับที่พระเจ้าบอกเห็นชอบเห็นชอบใช่ไหมสมาธิเห็นชอบเห็นชอบเนี่ยิิก็ขยายความว่าก็คือรู้อริยสัจสีนั่นเองครับเพราะนั้นเห็นในที่นี้ก็คือรู้นั่นเอง รู้ในที่นี้ก็คือวินยูนั่นเองเป็นวินยูชนนะครับเพราะฉะนั้นในอีิโซดที่แปดสิบเก้านี้ก็ตั้งชื่อว่าวินยูชนวินยูชนครับเพราะเพราะพลิ้งเลยครับรู้สึกตอนวินยูชนแล้วมาสบายใจมากเลยหมอแล้วสุพงครับโอ้สาธุครับท่านครับหมอแล้วพงก็คงสบายใจมากเหมือนกันเนาะเช่นกันครับเราก็ได้ละกิเลสหลายๆตัวจากธรรมะที่มาขัดเกลานะครับที่มีเรื่องในใจ ที่มันคาอยู่เป็นแหมมันเป็นสะเก็ดแผลอยู่ในใจอืก็ได้มาเนี่ยพุทธวจนะก็ขัดเกลาขัดเกลาไปเออใช่ใช่จริงๆใช่อย่างที่มันใช่นะครับต้องตอบอย่างเงี้ยเพียงแต่เราได้มีโอกาสรู้แล้วก็ได้ได้ยินได้ฟังเนี่ยถือว่าเป็นบุญของกับผมจริงๆนะครับต้องอนุโมทนาด้วยคือเกิดมาก็สาธุกับคุณหมอรพยงษมากคือถ้าไม่มีหมอรพงษนะเราก็จะ จะไม่ได้รวบรวมเรียบเรียงมาพูดมาอธิบายอย่างเงี้ย e <c oughs> คือหมายความว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่อาชีพของเราที่จะมาแสดงธรรมใช่ไแต่เพราะว่ามีหมอรพงศมาถามมาพูดคุยเราก็พูดคุยให้ฟังได้เอย่างเงี้ยแต่มีพุทธวจนะที่บอกว่าต้องขยันบอกสอนพระสูตรแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ทราบอย่างนี้นใช่ไหมครับอือมีอันหนึ่ง เ, เป็นความเจริญในอริย<ช>วินยัยก็ถ้ามีคนมาถามเราก็บอกให้ได้ครับถ้ามีคนจะ ต้องการรู้เราก็ชี้แจงให้ทราบได้ครับครับออืก็เป็นจะได้เป็นความเจริญในภาษัตว์ครับคือคือตรงนี้ก็หมายถึงความขวนขวายน้อยหรือขวนขวายมากด้วยครับค wow. ือหมายว่าถ้าคนมาถามเราตอบคำสองคาอันนี้ก็เรียกว่าขวนขวายน้อยอืมครับแล้ถ้าคนมาถามเราชี้แจงให้เห็นตัวพิสดารอันนี้ก็ขวนขวายมากครับก็ก็เป็นไปได้พระเจ้าก็คงจะหมายถึงการขวนขวายให้มันมากขึ้นครับให้เป็นผู้แทนครับขยันครับขยันบอกสอนครับ ถามนิดนึงอธิบายยาวเลยอย่างเงี้ยคนคนเดียวฉันก็เทศได้ไม่ต้องเป็นคนเป็นล้านหรือคาเป็นหมื่นไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะเป็นผู้ที่ไม่มีมัญญามากันครับงั้นวันนี้เราก็พอเท่านี้แล้วจพบกันใหม่ในตอนที่90ในตอนต่อไปครับครับกลับนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีครับอาจาทูกลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ